นศาสนากับวิทยาศาสตร์วันที่12กรกฎาคม2558กราบน้ำมัส ก, การประคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆเนาะทุกคืนวันอาทิตย์เมื่อกี้พ่อครูเดินเข้ามาก็ยื่นคำถามให้รู้สึกจะมีเยอะพอสมควรนะยังไม่รู้ว่ากี่คำถาม เขาเรื่องเดยเนาะจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากกราบเรียนพกกูที่ขอบรบยิ่งขณะที่นั่งเบียงพอรู้สึกว่าแรงเวี่ยงเริ่มแรงขึ้นและเร็วขึ้นจนกายกับจิตเกือบจะเป็นหนึ่งเดียวแต่แล้วแรงเวียงกับค่อยๆผ่อนตัวเองช้าลงทันทันทีอีกใจหนึ่งก็บอกว่าต้องเวี่ยงให้แรงกว่านี้ พอรู้สึกแบบนี้ทีไรคอจะล็อกจนเบี่ยงต่อไปไม่ได้ทันทีต้องค่อยๆเริ่มต้นเบี่ยงใหม่ทุกครั้งเช่นเดียวกับเวลากลิ้งพอรู้สึกว่าต้องกิ้งให้เร็วกว่านี้ก็จะหยุดกิ้งทันทีส่วนการยืนหมุนแค่คิดว่าจะหมุนก็จะเกิดอาการ เวียนหัวขึ้นไส้อยากอาเจียนขึ้นมาทันทีขอากราบเรียนถามพ่อครูถึงสาเหตุที่เป็นแบบนี้และวิธีแก้ไขด้วยค่ะเบี่ยงต่อไปนะกำลังจะเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราเอ๊ะปึ๊บมันเป็นสองละถ้าเรามีความรู้สึกว่าจะต้องเร็วกว่าเก่าเมันก็เป็นสอง มันหยุดทันทีเลยเพราะมันเหวียงปุ๊บถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บมันจะหลุดออกจากวงจรนั้นทันทีนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ชํานานขึ้นพอบ า, บางทีเขาเวียงเร็วจริงๆแล้วเวี่ยงเต็มๆที่แล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะคิดอะไรก็ช่างเนี่ยมันมันก็เหวี่ยงเขาจะไม่ยอมหยุดแต่ช่วงใหม่ๆเรายังไม่ชํานานนะแล้วพอคิดว่าจะเหวี่ยงปุ๊บเนี่ยมันเวียนหัวก่อนเนี่ยเรียกว่ามารคือลึกๆเราแหยง เรารู้ลวงหน้ามันจะเป็นจใจแฉ่งอีกนะมันมันมันก็แฟบอันนี้เห็นไหมพ่อครูบอกว่าเราหลอกจิตเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตตัวเองไม่ได้ความรู้สึกเราแค่นิดเดียวเองนะมันมีผลเลยนะอันนี้ก็ทําไปเรื่อยจะเกิดประสบการณ์แต่สุดท้ายก็ต้องมีขันติทําอะไรก็ช่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมเราต้องมีความอดทนนะไม่ต้องกลัวผิดชีวิตคนเราต้องผิดบ่อยๆ ฟังนะต้องผิดบ่อยๆแต่อย่าผิดเรื่องเก่าๆนั่นแหละมันจะเจริญเติบโตถ้ากลัวไปหมดเลยไม่กล้าลองเนี่ยมันจะเกิดประสบการณ์ได้อย่างไรแต่สำคัญว่าผิดบ่อยๆนั้นนะ่ะต้องมีสามัญสำนึกว่าบางอย่างก็ควรลองบางอย่างก็ไม่ต้องควรลองนะอย่างบางคนบอกว่าไม่ลองไม่รู้นะก็มีฝรั่งคนหนึ่งเ็าบอกว่าเา เขาอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่ถ้าพูนไม่มีเหตุผลหรือเขาไม่ลองเอ่อเขาหนึ่งไม่มีเหตุผลเขาเาก็ไม่ยอมลองสองทุกอย่างเขาจะยังไม่เชื่ออะไรเขาต้องลองก่อนก็วบอกถูกแล้วเป็นเรื่องที่ถูกแต่บางอย่างเนี่เธอลองทีเดียวตายเลยนี่ลองไหมเดี๋ยวพ่อครูจะพาไปเที่ยวผาแต้มแล้วไปโดดหน้าผาดูให้พกก่อครูดูจนงมันจะตายหรือเปล่าถ้าแบบนั้นสามเงนสำนึกเราก็ต้องรู้ว่าไม่ต้องลองนะ ส่วนก่อนที่เรามาฝึ ก, กจิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บตังค์ซะหน่อยหนึ่งเขาไม่มีอุบายเลยว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนทำเองเนี่ยเราไม่ได้เสียหายอะไรนะล้วก็ใช้สามันสานึกเราดูก่อนว่าเออเออมันไม่มีอะไรเออนั่งดูเขาเขาเวียงเขาเหมือนคนบ้าร้องไห้หัวเลาะและ้วพอหยุดปุ๊บเขาก็หายเห็น ไ, ไหมเราก็สร้างความเชื่อมั่นให้เราศรัทธาโอเคเราก็ลองยิ่งไม่เชื่อยิ่งต้องอย่าหนีนะ นัวิยาศาสตร์ที่แท้จริงยิ่งไม่เชื่อยิ่งต้องลองทำดูก่อนพิสูจน์ว่ามันคืออะไรกันแน่อย่าด่วนสรุปนะก็โดยเฉพาะไอแนวนี้เนี่ยแนวที่มันไม่ไม่มีแนวเนี่ยนะมันไม่มีแนวที่ตายตัวเนี่ยนะนะเราไปถามใครเขาก็บอกเราเราก็ไม่เข้าใจหรอกนะแล้วอย่าเรียนแบบทุกดวงจิตมันจะไม่เหมือนกันมันเป็นนาน า, นาจิตต่างนี่คือธรรมะ ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไม่มีสูตรตายตัวไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะแต่ปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรเร็วๆนี้พ่อครูก็เห็นเขาโพสพ่อครูคือมีคนปิ้นให้พ่อครูดนะูแต่ไม่ปิ้นพ่อครูก็ไม่รู้พ่อครูเขาอินเทอร์เน็ตไม่เป็นพ่อครูใช้มือถือไม่เป็นนะ ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ยพราะกูว่ามันมันมันความเจริญมันก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แต่ไม่ใช่เวทีห้าหันกันหรือว่าเวทีไปแสดงความรู้โดยที่ยังไม่วิจัยให้มันแตกฉานชอบวิจารก่อนอันนี้ก็เป็นเกณนกรรมนะก็มีคนเขาโพสต์ว่าเร็วๆนี้ว่าอะไรล่ะเหมือนเล่นเล่นคำเาเรียกว่าเล่นคาเออ ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งธรรมแม้กระทั่งธรรมะนั่นนะผิดไหมไม่ได้ผิดนะแต่ภาษามันบ่งออกมาแล้วว่าเขายังไม่เคยเข้าถึงธรรมเลยเขาจะไปรู้ว่าธรรมมันคืออะไรเมื่อธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะคือตัวธรรมะแล้วเราจะไปยึดมันได้อย่างไรถ้าเขาเข้าถึงธรรมจริงๆเขาจะไม่พูดคํานี้และวันที่เราเข้าถึงธรรมจริงๆเนี่ยไอ้คนที่เข้าถึงจะถูกฆ่าตายทันทีเลย นะมันจะถูกฆ่าตายทันทีเลยเมื่อตัวเขาไม่มีละใครจะเป็นคนไปยึดมั่นถือมั่นส่วนเวลาเราเข้าไปในจิตเนี่ยเราเข้าไปแค่สภาวะธรรมหนึ่งมันเป็นธรรมอารมอย่างหนึ่งมันยังไม่ใช่ธรรมเราก็เข้าใจว่าโอ๊ยเราเห็นธรรมเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเห็นเห็นมันเป็นสภาวะธรรมนะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาถึงยุคนี้วัดปา่าท่านเป่องออกมาเหมือนกันว่าเราเห็นในมิตฉจริงๆเราเห็นจริงๆเลยละ แต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตที่สร้างนิมิตขึ้นมามาสอบประเมินจิตปัจจุบันอันนี้ประเมินแล้วคิดว่าตัวเองว่าตัวเองเห็นธรรมแล้วก็ไปหลงว่าตัวเองเห็นธรรมแล้วนะถ้าคนเห็นธรรมจริงๆเนี่ยทำมันไม่มีอะไรแล้วมันจะไปยึดทําไมแล้วตัวเขาเองคนเห็นธรรมแล้วเนี่ยเขาเขาจะฆ่าตัวตวนเขาเองเลยนะแล้วมันไม่มีตัวเราแล้ ว, ลวเขาจะไปนคนไปยึดธรรมอันนี้ก็ต้อง จริงๆแล้วอยู่กับตัวเองเยอะๆนะแล้วก็บอกดำลงสภาวะธรรมนั่นแหละผู้เดินทางอยู่ก็ดำลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายว่าหลงว่าเราเห็นธรรมแล้วก็ดำลงธรรมนั้นไปเรื่อยๆธรรมนั้นมันไม่มีเราจะไปดำลงอะไรมันไม่มีนะก็ตั้งมั่นศรัทธาในคำสอนพุทธองค์นะเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆอย่า ให้ความอยากเนี่ยพอเห็นปุ๊บก็ไปหลงว่าเราเห็นธทรรมแล้วบางทีอยากแบ่งปันบริสุทธิ์ไม่มีอามิสแต่อยากแบ่งปันอยากนี่ก็คืออามิ t แล้วนะบางเอิญเราก็ไปเข้าใจผิดว่าที่ทเราเห็นมันเป็นธรรมนะเราเข้าใจผิดไม่พอเราก็บอกให้คนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยแทนที่จะเป็นธรรมทานกลายเป็นวัจีกรรมไม่พึงกระทานะนะอย่าไปยุ่งคนอื่น เอาตัวเองให้ใหพ้นก่อนนะถ้ายังมีความลังเลสงสัยมีอะไรอยู่เนี่ยมันมันมันยังไม่ใช่ธรรมมันเป็นธรรมอรมมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งกาบเรียนถามพระครูยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีกิเลสเยอะและชอบคิดอกุศลมีอัตตาสูงจะลดละวางด้วยวิธีไหนถ้ายังไม่เข้าถึงกล่องปัญญาที่แท้จริง ก็ถูกแล้วคำถามนี้มีคำตอบอยู่แล้วก็ทำไปเรื่อยให้มันเข้าถึงกล่องปัญญาที่แท้จริงเมื่อยังไม่ถึงแล้วมันเห็นกิเลสตัวเองอันนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นวิปัสสนาเกิดแล้วคนที่เห็นกิเลสตัวเองนั่นแหละเป็นปัญญาอย่างยิ่งนะเห็นมันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆแล้วกิเลสมันก็หลอกเราไม่ได้นะก็ตั้งมั่นศรัทธากับสิ่งที่ตัวเองทาเดินต่อไปนะ สติสัมปชัญญะต่างกันอย่างไรกับสติสัมโพชงออตอนนี้ความรู้เราก็แบบนี้ไงเนาะก็ไม่เป็นไรคือเราอยากรู้ว่าภาษาตัวนี้เขาหมายถึงอย่างไรเนี่ยองค์ความรู้ยุคทุกวันนี้เนี่ยมาในรูปของภาษาเออเราก็อยากรู้ว่าภาษาตรงนี้มันแปลว่าอย่างไงจริงๆแล้วธรรมะไม่มีธรรมะมันไม่มีภาษาด้วยแม้กระทั่งศาสนามันก็ไม่มี ศาสนาวิทยาศาสตร์วิชานวนวิชานี้มันไม่มีดัเป็นความจริงตามธรรมชาติไม่มีมันเกิดขึ้นทีหลังมนุษย์สร้างขึ้นนะภาษานี่ก็มนุษย์สร้างขึ้นแต่กิเลสเราคือตั้งแต่เล็กจนโตเราถูกสอนเรียนรู้รู้ภาษาแล้วก็เขาสอดแทรกภาษาเป็นดัตข้อมูลต่างๆวิชาการต่างๆมาลูกของภาษา แล้วก็เลยไปคุ้นเคยว่าเราต้องการมีความรู้เรื่องภาษาถึงเอาภาษานี่มานั่งทะเลาะกันไงนะแต่ก็เมื่อถามแล้วพระครูก็บอกนะสติสัมปชัญญะคือเรื่องข้างนอกเราขี่จักรยานอยู่ขาก็ถีบไปมือก็จับแผ่นไปตาก็มองข้างหน้าแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้คือใช้สติมาดําเนินชีวิตเรียกว่าสติสัมปชัญญะ แต่ว่าเราไปนั่งหลับตานั่งฝึกสมาธิจเจริญสติอันนั้นอยู่ในช่วงที่ฝึกสติเหมือนนักมวยเนี่ยแหละเวลาเราฝึกซ้อมเราชกกระสอบนะอันนั้นคือเป็นการจเจริญสมาธิจเจริญสตินะฝึกให้มันมีชำนาญมากขึ้นนะเราเพ่งอยู่กับกระสอบแล้วกระสอบมันชกเราคืนไม่ได้อันนั้นเรียกว่ากาลังฝึกสติฝึกสมาธิแต่พอเราขึ้นเวทีแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาฝึกละคู่ต่อสู้เขาชกเราได้ เขาดิ้นได้นั่นแหละต้องมีสติสัมปชัญญะต้องใช้สติเรารู้ตัวทั่วพร้อมนะไม่ใช่รู้ตัวเองด้วยนะรู้รู้รู้สิ่งที่เรามองเห็นเลยรู้สิ่งที่เขาจะชกเราเขาไม่บอกเ ว, ว่าระวังน่าจะชกขวาแล้วมันก็ชกมาเลยตอนนั้นต้องทํำยังไงนะเราก็ต้องหลกต้องหลีกนะอันนี้คือขึ้นเวทีแล้วก็คือเอามาใช้อันนี้คือเอามาใช้เรียกว่ามักภายนอกก็ได้นะเป็นสติ สัมปชัญญะส่วนสติสัมโพชฌงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกสติปัฏฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทนาต้องเข้าไปในจิตในจิตเราถึงสามารถเสพทมในธรรมได้ทมในธรรมนั้นคือธรรมลมบันทึกกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็สะสมบรารมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบรวมครับฝ่ายบวกก็คือโพชฌงนะ เรามีสติสำโพชงสำโพชงก็คือว่าเป็นสติโดยธรรมชาติมันเป็นกำลังของจิตเรามีอยู่แล้วเมื่อเราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเนี่ยโพชงทั้งเจ็ดที่เรามีอยู่แล้วสติสำโพชงนะธรรมะวิจยสสำโพชงมันวิจัยธรรมตามธรรมชาติวิจัยโดยไม่ต้องเข้าห้องแลบ็บไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาก็คือเต้นก็เต้นลองดู แล้วเดี๋ยวมันจะรู้ว่าแล้วมันได้อะไรเห็นัหมนั่งเฉยๆแล้วก็นั่งลองดูเราลำก็ลำเลยลำลังล ำ, ล, ำลองดูเนี่ยนะโดยไม่ผ่านการนึกคิดไม่มีความอยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวมันรู้เองนะมันวิจัยธรรมธรรมะวิจยสัมโพชงเขาวิจัยธรรมโดยที่โดยดิ้นใจตามธรรมชาติของเขานะแล้วก็ปัจสัตติสัมโพชงนะเขาจะมีความสงบ ตามธรรมชาติซึ่งเป็นบา ร, รมีจิตเดิมเ้าเกิดขึ้นมานะอันนี้มันเป็นเรื่องโพชฌงเป็นบา ร, รมีเก่าของเราที่เราฝึกมาหลายชาติแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเนี่ยเราไม่สามารถจะสัมผัสโพชฌงนี้ได้นะโพชฌงทั้งเจอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์แต่ตอนนี้เราไม่เข้าไปในจิตเราเอาจิตเรามาฝึกสติฝึกสมาธิอยู่ในฐานกาย อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจไม่ใช่กายด้วยนะเป็นของนอกกายแต่เป็นของที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดมันเป็นสิ่งนอกกายนะอันนี้เรียกว่าอาณาปณสติเอาลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติอันนั้นเป็นการฝึกสตินะยังอยู่ในช่วงสัมมากา ร, รมฐานนะอาณาปณสตินะผู้เจ้าตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติอันบุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ให้บริบูรณ์คือว่ากายเวทนาจิตธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวในขณะจิตเดียวแต่ตอนนี้เราแยกมาอยู่ในฐานกายเห็นไหมเออเดินจงกรมเดินไเรื่องมาก็เกิดเวทนาเกิดเมื่อยเกิดเพรียเกิดอะไรเราก็เห็นเวทนาในเวทนาและตอนนี้ก็มานั่งดูจิตนั่งเพ่งจิตนะเออบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตเราก็นั่งดูมันนะ แล้วก็เห็นอารมณ์หยาบหยาของจิตเห็นเงาของจิตแล้วไปส่องหน้าต่างดูข้างในมันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่านั่งดูไปกี่ปีมันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่าแล้วไม่ได้ขัดเก่าจิตให้ผ่องใสเลยไม่ใช่ไปดูจิตแบบนั้นต้องเข้าไปในจิตในจิตเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตเราจะสัมผัสธรรมในธรรมธรรมอารมณ์ที่บันทึกเป็นจิตใต้สมนึกเราในกรรมดีกรรมชั่วตรงนั้นน่ะเราก็เข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสนี่คือสติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์ ทีนี้สติปัฏฐานสีมีฝึกอย่างสายวัดป่าเราเนี่ยตั้งแต่ครูบาอาจารย์ใหญ่เรามาเป็นร้อยปีที่ผ่านมาท่านฝึกแบบทีละขั้นอยู่ในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตใช้พลังมหาศาลพลังฌานเนี่ยเข้าไปในจิตท่านก็ไปเสษทํทำไมท่านสามารถละลึกชาติเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้แสดงออกทางกายภาพอันนั้นต้องใช้พลังมหาศาล บางทีใช้ตลอดชีวิตเราสะสมไปเรื่อยๆนะแต่พรอครูบอกว่าแนวนั้ น, น่ะยุคนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วเพราะกิเลสมันขี่จรวดเหตุปัจจัยโลกมันเปลี่ยนสิ่งเล้าใจมันแรงความอยากมันมากนะเราต้องรวมฐานทั้งสให้มันเป็นหนึ่งเดียวนะมันจะได้มีพลังเนี่ยส่งแล้วเขาไปในจิตในจิตนะเมื่อมันอาศัยอายตนะ นะตาหูจมูกลินกายใจเนี่ยมาสร้างแรงเวีย่ยงปุ๊บมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะออกมาที่เก่ามันก็บูรณาการระหว่างกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นมหาสติปัฏฐานเป็นสติใหญ่ถ้าไม่ถึงขั้นสติใหญ่เนี่ยเราจะระลึกชาติไม่ได้เราจะเข้าไปเสพธรรมในธรรมไม่ได้นะต้องเข้าไปในจิตในจิตนะพอมันเข้าไปปุ๊บอารมณ์ข้างในจิตเป็นอย่างไรเขาก็แสดงทางกายภาพนะ ที่เราไล่ลำเราเต้นอะไรเนี่ยเริ่มจากเราใช้สมองนะ่สร้างแรงสัญจะเทือนแรงเบี่ยงแร ง, แรงเต้นแรงอะไรเพื่อเพื่อให้เราอิสระจากแรงดึงดูดของความคิดลุดออกจากแรงดึงดูดของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นไกยแล้วก็ใจเมื่อเข้าไปในนั้นปุ๊บเราก็เสพทำมาลมในนั้นนะ่ะ โปรแกรมนั้นเป็นยังไงมันก็แสดงทางกายภาพเขาจะดึงกายเวทนารวมเป็นหนึ่งเดียวนี่คือสติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์แล้วอันนี้เรียกว่าถ้าเราพอใจแค่นั้นนะอันนี้คือเจริญมหาสติปัฏฐานนั่นแหะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญแค่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกออกแล้วมันเกิดแรงหมุนที่คนจีนเขาฝึกไท้เก๊กฝึกชี้กงหมายถึงว่าฝึกลมปานนั่นแหละก็ทําให้มันหมุนเหมือนรถยนต์รถสตาร์ทเครื่องติดแล้วเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ขึ้นไปเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้แต่เราใส่เกียร์ปุ๊บมันดับเพราะพลังมันไม่พอเราต้องเร่งเครื่องเร่งสติหมุนกลงล้อของธรรมจักรแต่ถ้าเราไม่เร่งเราพอใจแค่นั้นเราก็ได้เจริญอนุสติเป็นอาณาปานาสติคืออนุสติหนึ่งในสิบอนุสติสิบมันเป็นสัมมาถากรรมาฐานก็อยู่ในช่วงที่เจริญสติแล้วเข้ากล่องปัญญาไม่ได้เห็นเกิดสมาธิเบื้องต้นเกิดความสงบ เราใช้ลมปานนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติของเราเลือดลมก็วิ่งระดับหนึ่งโรคบางโรค ก, ก็หายได้ขนาดนั้นแต่โรคบางโรคเนี่ยมันต้องเข้าไปสะสารคดีความอยู่ในจิตไปจ่ายหนี้รมทางจิตนะเราต้องเข้าไปในจิตในจิตต้องเร่งเครื่องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมาจากักเราก็เข้าไปในจิตในจิตนั่นหละราบุนาการระหว่างกายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหม เมื่อสติปฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเนี่ยเราเจริญโพชงต่อไม่ได้จิตมันเจริญมาหลายชาติแล้วเหมือนเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเราเล่นคอมพิวเตอร์เห็นไหมถ้าแค่เอาซอฟต์แวร์เนี่ยเอาโปรแกรมในซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันก็บันทึกโปรแกรมได้แค่นั้นถ้าเราไม่เข้าไปในฮาร์ดดิสเห็นไหมที่บันทึกเยอะตอนนี้ไม่พอนะ ต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตสามารถลิงก์สื่อกับทุกอย่างในจักรวาลนี้ได้นั่นคือปัญญาอย่างยิ่งนี่แหละผู้เจ้าตัสรูเรื่องนี้ตั้งแต่สองพันกว่าปีมนุษย์เราทุกวันนี้ค่อยมาค้นพบเรื่องนี้ไปทำคอมพิวเตอร์ทาอินเทอร์เน็ตทาอะไรอไรพวกนี้นะบางคนว่าเอ๊ะทำไมต้องเข้าไปในจิตอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันเราไม่เข้าใจว่าคาปัจจุบันมันคืออะไร เราอยู่กับกายแล้วก็อยู่ปัจจุบันกับกายเราอยู่เวทนาอยู่ปัจจุบันกับเวทนาเราอยู่ในจิตก็อยู่ในปัจจุบันจิตเราเข้าไปในเสพทันมันทําอยู่ปัจจุบันทําในธรรมสมมุติว่าอดีตโปรแกรมเราเป็นเสือปัจจุบันการการเวลาที่เราเป็นเสือแล้วก็มีสติรู้เท่าทันอารมณ์เสือในเวลานั้นแล้วก็เกิดปัญญาว่าให้เสือเวลามันหิวเป็นยังไงเวลามันโกรธเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้ เขาเรียกว่าอันนี้แหะซึมซับอดีตไม่ใช่เราไปหลงอดีตนะถ้าคนเรามีอดีตเยอะๆมีแค่ขยะอดีตมันจะใช้เราและเราจะเป็นทาสของอดีตก็คือว่ากรรมในอดีตมันจะส่งผลกับเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเราซึมซับมันรู้เท่าทันมันอดีตจะกลายเป็นบทเรียนและเราจะใช้อดีตเนี่ยมาเป็นเครื่องมือเดินทางต่อไปข้างหน้าไปเอาบารมีในอดีตมาต่อเดิมต่อถ้าเราซึมซับมันแต่ถ้าเราไม่ซึมซับมันเราเป็นทาสของอดีต นะไม่ใช่ไปหลงอดีตก็นะกั่นแะหละสติสัมโพชงเป็นเรื่องของข้างในสัมโพชงก็คือว่าเป็นสติตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้วในจิตใต้สำนึกเราส่วนสติสัมปชัญญะเป็นจิตปัจจุบันจิตปัจจุบันอยู่ข้างนอกเอามาใช้กับชิตปัจจุบันนะดูตัวทั่วพร้อมนะแต่จเจริญสติจเจริญสมาธิ อันนั้นเป็นช่วงที่เราฝึกสมาธิฝึกสติเป็นช่วงที่ฝึกนะฝึกให้มันมีกำลังมากขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าถ้าไปติดมันเมื่อไหร่มันก็อยู่แค่ตรงนั้นหลวงพ่อชาเนี่ยท่านเตือนตลอดเวลาเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าต้นตํหรับคน อ, องคหนึ่งเหมือนกันที่สอนเรื่องอาณาปณสตินะท่านก็บอกว่ามัวแต่ถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหน สมาธิเป็นแค่บาดฐานเบื้องต้นเป็นการสะสมพลังเพื่อจะก้าวไปสู่วิปัสนาแต่พอท่านจากไปแล้วก็เป็นเดอยู่ที่อาณาปณะสติก้าวต่อไปไม่ได้นะให้เข้าใจเนาะกาบเรียนถามพระครูว่าการเข้าจิตกับการเข้าทรงต่างกันอย่างไรคะในเมื่อเข้าไปแล้วก็ไปแสดงอาการเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือเทพองนั้นองนี้ถ้าการเข้าจิตเพื่อไปเจริญมรรคจิต แล้วทำให้ตัวเองพ้นทุกข์แต่ไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วอย่างนี้การที่คนเข้าทรงแล้วไปบอกอนาคตติดต่อกับวิญญาณหรือช่วยบรรเทาทุกข์ให้คนอื่นแล้วแบบนี้คนที่เข้าทรงเขาต้องได้รับผลกรรมอย่างไรหรือคะถ้าคนทรงบางคนเก็บค่าไหว้ครูส่วนบางคนก็ให้ทาบุญตามศรัทธา แล้วเขาก็นำเงินนั้นไปทำบุญคนทรงจัดว่าเข้าข่ายการอวดอุตตริไหมคะถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีวิชาอาคมแล้วนำมาช่วยญาติโยมเช่นรักษาโรคอาบน้ำมนต์ไล่วิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายออกไปหรือไม่ก็ปลุกเสกพระเครื่องรางของขังอย่างนี้จัดว่าเป็นการสร้างกรรมไหมคะ แล้วจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะคำตอบคือสัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมกรรมชี้เจตนาต้องดูว่าเจตนาเวลาแล้วเขาทำอย่างนั้นเน่เพื่ออะไรถ้าเขามีอามิ t h เขาหลอกจิตเขาไม่ได้นะก็เป็นกรรมแต่ถ้าเขาให้ด้วยความบริสุทธินะไม่หวังอามิ t อะไรเลยเนี่ยเขาก็ได้อานิสงส์ส่วนว่าจะเป็นจิตของเขาเป็นหน้าที่ของเขาหรือเปล่าสำหรับพวครูแล้วเนี่ย คำว่าสัตว์โลกเวรกรรมกำช่วยไม่ได้ไม่นด้ไม่ได้หมายผมว่าเราไม่ทําอะไรเลยแต่ยี่สบกปีพ่อคูไม่เคยช่วยใครนะพ่อคูไม่ฝืนกฎแห่งกรรมใครพ่อกูมีหน้าที่ให้คําว่าไม่ช่วยไม่ไปว่าไม่ได้ให้นะคือให้แต่ไม่คาดหวังถ้าเราหวังเราจะผิดหวังนะขาไม่เขาเขาไม่ได้สร้างบุญมาเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะได้เราจะผิดหวังนะเราก็ต้องรับกรรม มันเป็นกรรมที่เรามีเจตนาที่จะช่วยเขาเพราะเราอยากให้เขาดีขึ้นแม้กระทั่งไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยนะแค่อยากให้เขาดีขึ้นมันก็เป็นอา m i t มันก็เป็นมันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะเอาเป็นว่าคําถามทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ที่เจตนาของเขาดีที่สุดคืออยู่กับเราไม่ต้องไปดูว่าคนอื่นเขาทําอะไรนะเราอย่าทําก็พอเนาะถ้าเราไปฆ่าทวดเขาอีกเราก็แย่งงานยมพบาลทำอีก เป็นวัชิกรรมนะบางทีเรามองข้างนอกเขาเราไม่เห็นข้างในเขาไงพราะครูเคยยกตัวอย่างนี้บ่อยๆว่าพ่อครูผักเด็กคนหนึ่งล้มลงไปมันก็ร้องไห้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นเห็นหมดเลยไอ้เด็กมันลุกขึ้นมามันก็ชี้ตัวนี่แหละคนนี้ผักมันตำรวจมาเอาไปจับเอาไปขังคุกคิดว่าทุกข์ไหมจะไปทุกข์ทำไมเราทําความดีเอ้าทำความดีมดยังไงไปผักเด็กมันล้ม งูมันกำลังจะกัดเด็กคนนั้นไม่มีใครเห็นเลยถึงว่าบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากมายนักแล้วไปดูแค่กิริยาเขาทำแล้วก็ไปกล่าวโทษเขาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราอันนั้นมินเมตต่อการแย่งงานยมพบาลทำเพ้อเพ้อตกนรกเนี่ยยมพบาลโกรธมากนะคือให้อยู่ยาวหน่อยนะเป็นเพื่อนยมพบาลเนาะไม่ใช่หน้าที่เรา นั่งสมาธิเวียงแล้วรู้สึกปวดหัวจะแก้ไขอย่างไรเวียงต่อไปสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุของมันอยู่ถามว่าตัวเองนี่เคยคิดไหมคิดคิ ด, ค ด, คดมันเป็นมโนกรรมนะไอการปวดหัวมันก็ไปรับหนี้กรรมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพวกเราคนเรียนเยอะๆคนอยู่ในเมืองเนี่ยเนี่ยเราไม่ได้สู้กับอย่างอื่นสู้กับไอความคิดเนี่ยนะ ส่วนคนชนบทเนี่ยหลายปีที่มาเขาไม่พูดอะไรมากมาเขาศรัทธาก็เข้าไปได้เลยแต่พอเข้าไปได้แล้วปุ๊บเขาก็เจ็บปวดร่างกายเพราะเขาฆ่าสัตว์คนเรามันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่เอาเห็นไหมบุญกุศลเขาแค่นั้นนะแม่ครัวที่นี่เนี่ยเข้าได้หมดอะแต่ถอยหมดมันก็ต้องรับกรรมทีพวกเราเนี่คิดคิดมันก็ปวดหัวนะ พ่อครูคนนึงแหละนะคิดจนเป็นไมเกรนถามว่าเป็นไมเกรนปวดไหมเออปวดเราก็ไปกินยาระงับมันนะมันก็หายปวดชั่วคราวแล้วก็คิดอีกแล้วก็ปวดอีกแล้วก็กินยาอีกแล้วสุดท้ายเราคิดว่าเราหายเราไม่ได้หายนะไม่ได้หายเราเรางับปวดเราเราเราลายระบบประสาทไม่ให้มันรับรู้สึกตัว น, นั้นเทนนี่นเองมันก็พัฒนาไปสู่ ไม่เกรยียนแล้วก็ความเครียดแล้วก็พัฒนาไปสู่เป็นมะเร็งนะยิ่งปวดก็ยิ่งเวี่ยงยิ่งเจ็บก็ยิ่งเวี่ยงอย่าไปหนีมันไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพน้นเราหนีมันวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้ายอมรับมันจ่ายมันเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเราจะเห็นว่าความปวดนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขโอ้นั่งไปนั่งมาสุขมากเลยนะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้ความสุขนั้นก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่จีรังยั่งยืนเราได้เต็มเต็มเราได้ปัญญารู้แจ้งว่ามันไม่เที่ยงเห็นไหมไม่มีอะไรเสียหายนะบวดก็มีประโยชน์ไม่ใช่จะนั่งเอาแค่ความสุขอย่างเดียวนะไปติดสุขนี้กลับมีโทษนะไปติดสุขในชานะมันไม่ไปไหนไงเปหลงติดอยู่ตรงนั้นสุขก็เอามาเรียนรู้แล้วเราจะเห็นมันว่าให้สุขก็ไม่เที่ยงนะทุก อย่าไปหนีมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะเรามานั่งให้มันเห็นทุกข์แล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเรามันมีทุกข์เป็นประธานทำไมวันแรกมันเกิดมาก็ร้องไห้แหกปากร้องกันเลยเนี่ยทุกตั้งแต่วันเกิดแก่มาลูกก็โอยนั่งก็โอยก็ทุกข์อีกเจ็บมาเคยเห็นคนหัวแตกถูกรถชนขาหักเข้าโรงพยาบาลฟ้อนลาเข้าไปดีใจจังเลยฉันหัวแตกไหมมันก็ร้องโอดกวนนั่นและทุกข์เพราะเจ็บเห็นไม มันจะตายก็ตายไม่ลงทุรนทุลายอีกเนี่ยทุกเพราะเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ทุกข์มันเป็นธรรมดาแต่ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นเด็กเกิดใหม่เขาจําได้หมายรู้เขามีสัญชาตญาณว่าเขาเขาจำได้หมายรู้ว่าเขาเกิดทีไร ท, ทุกทุกทีมันกลัวมากมันก็ร้องไห้ไงเขาจําได้นะนะ ทีนี้เรามาล้างความจำกันเรามาปฏิบัติเนี่ยล้างความจำล้างอุปทานเหล่านี้ล้างสัญญาเหล่านี้แล้วต่อไปเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บธรรมดาตายก็ธรรมดาเราจะไปทุกข์ได้อย่างไรมันไม่ได้ทุกข์มันธรรมดาแต่ที่เราทุกข์นี่ยเพราะเราหลงผิดเราเข้าใจผิดเราไม่อยากให้มันตายเพราะเราตายแล้วเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเราเข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาความตายไม่ได้แปลว่าเป็นเป็นความสูญเสีย ความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากล่างหนึ่งไปอีกล่างหนึ่งแล้วเราจะทุกข์ทำไมเห็นไหมถ้าจิตมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มีเหตุผลต้องไปทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันเป็นไปตามกรรมแต่ตอนนี้เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์เพราะว่ากระแสกรรมที่ทำให้เราเป็นหลงรู้หลงผิดเป็นรู้ผิดมมันก็ส่งผลให้เราต้องรับทุกข์กรรมก่อนนะ ก็เดี๋ยวจะลืมพจน์โนดวันนี้แจ้งข่าวนะ27ตอนเช้าตอนเช้ากี่โมงเดี๋ยวค่อยเดียวกันเรามีการบวชไม่ชีใหม่นะกี่ท่านก็ยังไม่ทราบเข้าๆก็สี่ห้าท่านนะเพราะกูก็พยายามเร่งที่พักที่พักไม่ชีข้างบนนี้ก็เป็นไม่ชีใหม่ทั้งวัยวุธทั้งพรรษานะอยู่ข้างบนนี้ บังเอิญว่าสองวันนี้ก็ฝนตกคนงานก็ไม่ได้มาเรากำลังเล่งกันอยู่คิดว่าเหลือเวลาแค่สิบกว่าวันน่าจะทันนะส่วนวันที่สามสิบตอนเย็นนั้นเราทำวัดเย็นที่นี่เสร็จก็ไปเวียนเทียนกันที่ฐานพระใหญ่วันอาสาลหาบูชาส่วนสามสิบเอ็ดเช้าเราก็พระภิกษุสา ม, มนเณรแล้วก็คุณไม่ชีก็บินทบาทนะพวกเราก็ไปปักบาตรกัน ทำบุญวันเข้าพรรษาแล้วก็มีเหลือนิดหน่อยออวันนี้ก็ใช้เวลาเร็วมากเนาะหลายปีมาเนี่ยถ้าพวกครูโน้ตสกิปไปตรงนี้เนะี่ยจิตมันไม่เอาแต่ตอนนี้รู้ว่าตัวเองไอ้สังขารเนี่ยร่างกายสังขารมันก็แปรเปลี่ยนไปมันนะแล้วพวกครูยี่สบปีไม่เคยจำเลยเพวกครูไม่ลืมพวกครูไม่จํานะแต่ทีนี้ ทุกครั้งที่เราพูดวันอาทิตย์นี่ก็มีการอัดเสียงแล้วก็ออกไปยูทู e อะไรๆทีนี้ถ้าพอกกูพูดพวกก็พูดธรรมะเก่าๆนั่นแหละไม่ใช่เล่านิทานเนาะธรรมะมันก็คือเก่าๆแต่ทีนี้บางคนเนี่ยยุคใหม่เนี่ยเขาติดความรู้นะไปติดที่ความรู้เนี่ยแล้วก็ไปติดความรู้ที่ต่างกันโดยเฉพาะการศึกษาทุกวันนี้เนี่ย ใช่ไหมเพราะคูจะเรียบเรียงให้ฟังนะไม่ต้องดูดีกว่าพูดแบบสดๆดีกว่าว่ามันคือยังไงนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อให้เราเขาก็รักเรามากเขาก็ให้ศาสนาเราเธอเป็นพุทธนะเป็นคิดนะเป็นอิสลามนะอะไรนะเพราะว่าพ่อแม่พิสูจน์แล้วว่ามันดีโดยเฉพาะตอนนั้นเราไม่รู้คืออะไรแล้วก็ส่งให้เราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตกันนะเราก็เดินตามที่เขาสั่งนะ ให้เรานับพิศาสนาเราเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรปากก็นับไปมือก็ถือไปโดยไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ทําตามคําสั่งชีวิตเราเลยกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นบังเอิญเนี่ย26ปีก่อนหลังเกิดเกิดหลังจากเกิดอาการเหมือนมันระเบิดแล้วเนี่ยจิตพวกคูก็ทำทำให้พวกคูเห็นอะไรหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะ ในช่วงสามสี่วันที่ไม่ได้หลับมาได้นอนอ่ะมันนอนไม่ได้มันกินไม่ได้คาว่ากินไม่ได้นอนไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันคงทุกข์มากไม่มันกลับกันมันมีความสุขมากเลยไม่ต้องเสียเวลานอนไม่ต้องเสียเวลากินนะก็นั่งอยู่เฉยๆตรงนั้นแหละสามคืนสี่วันนะเขาก็สว่างเพราะครูก็เห็นอะไรหลายๆอย่างว่าเออ โลกมนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็ย้อนหลังสั้นๆนะให้เราเห็นว่ามนุษย์ทำอะไรอยู่เราศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะให้เท่าที่เราเราจับใจความได้นะไม่ต้องถึงระดับถึงก่อนไดโนเสาร์อะไรพวกนี้นะเอาที่ว่าโลกมนุษย์สมัยใหม่ๆที่เราจับต้องได้นะี่นะนะยุ克านานิคมคนกลุ่มหนึ่งเขาเชื่อว่ามีอาณานิคมเยอะๆเขาจะมั่นคง เขาก็มาล่าใหญ่เลยเห็นไตอนเกิดซินามีที่ภูเก็ตนะญาติธรรมที่ภูเก็ตมาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่คนทั้งโลกในี่ไปตายที่โน่นไอ้พวกนี้มันด่ล่าในคมในสมัยก่อนนะทำไต้อง ม, มาใช้นิกรรมล่าไปล่ามาผู้ล่าก็ทุกผู้ถูกล่าก็ทุกไอเดียความคิดนั้นล่มสลายเพราะแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้นะล่มสลายเอาทฤษฎีใหม่ค้าขายเสรี ไข่ไข่ค้าค้าไข่ไข่ขายขายขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเอามนุษย์เป็นสินค้ามาค้าทาามนุษย์ไม่ใช่สัตว์สิ่งของค้าไปค้ามาถูกแรงต้านผู้ค้าก็ทุกผู้ถูกค้าก็ทุกแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้ไอเดียนั้นก็ล่มสลายมายุคเราที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยนะเรายุคเดียวกันนะอายุเท่าไหร่ก็ช่างยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองแปสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผู้ชนะสงครามโลกตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันวัตถุเป็นตัวซื้อตัวขายเพื่อสร้างทุนเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มทุนนะโดยมีธุรกิจนิยมเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสิ่งนี้แปสิบกว่าปีเนี่ยสมัยก่อนพ่อครูยังทันนะตอนเด็กๆยังจาได้ เขาเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าเราค้าเพื่อกำไรเพื่อดารงชีวิตแต่ตอนนี้ค้าขายไม่พอแล้วต้องเป็นธุรกิจการค้าสมัยก่อนค้าเพื่อกาไรเพื่ออยู่ได้ตอนนี้ต้องเป็นธุรกิจต้องยิ่งใหญ่ด้วยการยิ่งใหญ่เราเกิดจากการทำลายศัตรูเพราะคำว่าแข่งขันเสรีทุนนิยมแข่งขันเสรีนะหนึ่งคำว่าทุนสองคำว่าแข่งขันนะ สามเอาวัตถุเป็นตัวแข่งขันเป็นตัววัตถุสี่ธุรกิจเพราะคูจะพูดสี่ข้อนี้นี่คือโจทย์ของผู้ชนะสงครามแล้วเขาใช้อภิสิทธิ์เนื่องจากเขาชนะสงครามเขาพินเงินสกุลของเขาเนี่ยไม่ต้องมีทองคำค้ำประกันจุดเริ่มต้นกติกาที่เขาตั้งไว้มันก็ไม่มีคุณธรรมแล้วทำไมทำมาเขาเอาเปรียบทุกอย่างนะยังไม่พอ ถ้าเขาพิมพ์เงินเยอะๆเนี่ยเงินเขาเองก็เฟอร์เาก็เอาพลาสติกใบเดียวเนี่ยมาลิขสิทธิ์นะก็เอ่ยชื่อไม่เป็นไรอเมริกันเอ็กซ์เพรสวีซ่ามัลติการ์ดดายเนอร์ครับเครดิตการ์ดเนี่ยมีประเทศเดียวในโลกที่ลิขสิทธิ์คนทั้งโลกนี่รูด ป, ปึ๊บแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เค้า <c oughs> แล้วเขาอ้างว่าเท่าเทียมกัน <c oughs> เสรีไม่เสรีจริงๆฉันสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้เธอสร้างไม่ได้แล้วตั้งชื่อว่านิวเคลียร์เพื่อสันติถ้าสันติจริงๆทั้งช่วยกันสร้างเยอะๆใช่ไหมอันนี้ไอ้ซัดดั้กูจะฆ่ามึงแล้วก็อ้างเพื่อจะไปยึดบ่อ น, น้ํามันเขาแล้วก็จับอาวุธเขาไม่ได้สักอย่างหนึ่งเกาหลีเหนือฉันจะฆ่าเธอเธอข้ า, ขางวิลเลียอิรานเราจะถามหาคุณธรรมในโลกนี้ไม่มี ให้เราเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกแบบไหนตอนนี้ก่อนแล้วเรากําลังทําอะไรอยู่นะเนื่องจากเขาตั้งโจทย์แบบนี้เขาต้องชนะทุกเรื่องเพราะการว่าแข่งขันเนี่ยไม่มีใครที่จะตั้งใจว่าเฮ้ยซ้อมเก่งๆนะเราจะแข่งขันแล้วเราจะเป็นผู้แพ้มีไหมไม่มีทุนนิย ม, มก็คือว่าเรานิยมทุนเราลงทุนเพื่อเราจะได้มากขึ้นเพื่อสร้างทุนเรามีทุนเป็นศูนย์กลาง เรามีทุนเป็นเป้าหมายนะแล้วมีเครื่องมือเอาแข่งขันไงนะแข่งขันเพื่ออะไรล่ะนะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคิดว่าคุณภาพดีขึ้นทุกวันนี้คุณภาพดีขึ้นไหมสมัยก่อนเขาอ้างว่ามีการแข่งขันคุณภาพดีขึ้นราคาจะถูกลงผู้บริโภคได้ประโยชน์ตอนนี้จริงไหมมันเหมือนจริงแต่มันไม่จริงจั ก, กรยานเด็ซื้อให้เด็กๆขี่นี่นะ ไม่ทนหรอกมันทำมาขายมันไม่ได้ทำมาใช้สมัยพอ ก, กูเด็กๆเน่อยู่บนเนี่ยนะเออลูกน้องพ่ออยู่ในร้านเนี่ยตอนนั้นเรามีลงสีอะไรด้วยเนี่ยเขาส่งเข้าสารสมัยก่อนกระสอบหนึ่งรอยกิโลน่ะใส่สองกระสอบเลยขี่ส่งเฉยใช้ได้เป็นสิบสิบปีทุกวันนี้เขาทำอย่างนี้ไม่ไหม่ท่านอย่างนีมน้มันขายได้ไม่เยอะไงมันทำให้มันสวย มือถือเหมือนกันเพิบรุ่นใหม่พับรุ่นใหม่แล้วก็เป็นขยะล้นโลกนี่คือการแข่งขันการยื้อแย่งทำลายทรัพยากรของโลกเห็นไหมล่ะนะการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกนะแล้วก็เอาวัตถุเป็นตัวแข่งขันนะวัตถุตอนนี้เนี่ยการสร้างวัตถุเนี่ยขบวนการสร้างต้องใช้พลังงานไหมใช้ พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักส่วนการผลิตไฟฟ้ามาจากการทําลายป่าไม้เนี่ยเราอยู่ข้างเขื่อนสิรินทรนะเพราะครูมาอยู่ตอนที่อําเภอสิรินทรยังไม่เกิดนะอยู่ได้สองปีค่อยประกาศเป็นอําเภอสิรินทรเขืนนี้ก็พึ่งนั่นนะไม้ต้นบใกใหญ่นะนอนอยู่นั่นสามสี่สิบเมตรมีแต่ไม้เนื้อแข็งเพราะครูยืนอยู่เนี่ยมันสูงกว่าพ่อครูเนี่ย น, นี่ให้ลําต้นมนะัน เต็ไมไปหมดเขาทําลายเนี่ยเขาขนไม่ทันชาวบ้านก็มูดขึ้นมาแล้วก็มาเรื่อยๆๆมาขายขายขายขายนะตรงนี้เป็นป่าดงดิบเลยนะที่พักพ่อครูสมัยก่อนเขาเรียกว่าหนองสี่เหลี่ยมเป็นที่ช้างมากินน้ำนะพ่อคูก็อยู่ริมเขื่อนพวอคูเห็นการพัฒนาของมันนะสมัยก่อนเขื่อนซิลินทอนน้าลดต่อผุดตอนนี้ต่อขายหมดแล้ว หลังจากไอ้นอ น, นหมอนหมดแล้วทีนี้ก็มุดลงไปเลื่อยไอ้ต่อมาเนี่ยใหญ่เล็กเอาเรียบไหลแล้กินเรียบพวกมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้โอท็อปทีนี้ตัดหมดแล้วตอนนี้เหลือสุดท้ายแล้วนะก็เกือบจะหมดแล้วละ่ะตอนนี้ขุดลากถอนโคลมุดลงไปขุดไม่ใช่คนิีสานขี้เกียจ น, นะไม่ถ้าเขาได้เขาเข า, เขาขยัน แต่สุดท้ายคขาอุตสาห์มุดลงไปไปขุดลากมันเหนใหญ่ๆเนี่ยนะเอาขึ้นมาทาเฟอร์นิเจอร์เขาก็ยังจนเหมือนเก่าแ้วตอนนี้ปกาลังหมดแล้วเนี่ยนั่นปลากำลังจะสูญผัดไม่มีที่หลบซ่อนนี่คือการพัฒนาเห็นหและการสร้างโรงงานเราทุกวันนี้ก็ต้องใช้พลังงานกั้นเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตอนนี้เราเห็นนะที่บอกคือว่าหลายปีมาปีนี้แรงที่สุด พวกเขื่อนต่างๆเนี่ยเขาก็อ้างว่าเออทำเพื่อต่อไปชนประทานชนประทานไม่หลักใหญ่คือมาผลิตกระแสไฟฟ้ามันแ้งมากน้ําที่เหลือต้องกักเก็บไว้เพื่อไฟฟ้าเกษตรก ร, กรตายช่างมันนี่คือความคิดแบบทุนนิยมเราทําลายต้นน้ำลำธานเราทําลายป่าไม้ต้นไม้นี่เป็นตัวผลิตฝนนะเราทาลายโรงงานผลิตฝนแล้วก็มาสร้างเขื่อนเพื่อจะมากันฝน กลายเป็นว่าเวลาท่วมก็ท่วมเวลาแรงก็แรงนี่คือความคิดแบบทุนนิยมวัตถุนิย ม, ยมเขาเอาทุนเป็นที่ตั้งเขาไม่เอาชีวิตมนุษย์เป็นที่ตั้งพ่อครูเนี่ยคตอบอยู่ที่หมู่บ้านยี่สบกปีพ่อครูเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตอนนี้หมดแล้วเขาขุดลากถอนคนแทบจะหมดแล้วเหลือ น, นิดเดียวนะยังอุสามูทหาอยู่นะ อันนี้คือวัตถุทุกชิ้นที่เราผลิตออกมาเนี่ยไม่มีน้อยมากที่ว่าไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราต้องใช้พลังงานเห็นในขณะที่ตอนนี้เขาไปเจอเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่าโซล่าเซลล์ใช้พลังแสงอาทิตย์บนศาลาเราก็ใส่แต่องค์กรที่เขาค้าขายเขาโมโนโปลีเขาผูกขาดนี่เขาพยายามจะกีดกันในขณะที่ไม่ยอมให้ชาวบ้านทำ ตัวเองจะไปเปิดโรงไฟฟ้าใหม่ใช้ฐานหินปักใต้กำลังต่อต้านเขาไปทำลายสิ่งแวดล้อมสุขภาพเขาเสียหมดนี่คือทุนนิยมเห็นไหมขนาดรู้วิธีแก้ด็ไม่เพราะฉันจะเสียผลประโยชน์เราเห็นนะคือความคิดทุนนิยมเขาเอาทุนไปนที่ตั้งอย่างอื่นเขาแกล้งอ้างโ น, น่นอ้างนี่สุดท้ายก็จบอยู่ที่ทุนแล้วก็สร้างวัตถุ มาทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่ออาวัตถุมาแข่งขันมาเปลี่ยนเป็น GDP เปลี่ยนเป็นทุนโดยใช้เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่มากคือธุรกิจนิยมโอเคตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วพ่อครูจะดึงให้ดูว่าธุรกิจนิยมเนี่ยบทบาทเขาเป็นอย่างไรเขาสอดแทรกหมดเลยนะหมอสมัยอดีตเนี่ยเห็นคนไข้ทุกวันหมอปัจจุบันนี่เห็นแต่ไข้ไม่เห็นคน ไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่เห็นหมอกลายเป็นธุรกิจการแพทย์เป็นธุรกิจหมดในสมองมีแต่เรื่องธุรกิจปัจฉญาวิชาหมอนี่สมัยโบราณเนี่ยมีไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ตอนนี้วิชาแพทย์มีไว้หาเงินมีไว้สร้างทุนปัจฉญามันเปลี่ยนหมด นะธุรกิจการแพทย์เอาละธุรกิจการเมืองธุรกิจการศึกษาก็กลายเป็นธุรกิจเป็นการลงทุนนะผู้ปกครองนั่งอยู่ที่นี่คนหนึ่งวันนั้นคุยกันเขาบอกว่าลูกไปเรียนนี่เป็นการลงทุนการศึกษาก็กลายเป็นธุรกิจมันก็เอาปริมาณมันไม่เน้นที่คุณภาพของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐก็ขายป ร, ป, รปริญญาเรา ตรงๆเลยละ่ะเพราะทุกอย่างมันถูกลักธุรกิจเราคิดแบบธุรกิจนิยมพอเราเรียนเป็นนักวิชาการก็ช่างเรียนก็ช่างกระบวนการที่เราไปทํางานน่นมันก็ถูกธุรกิจนิยมครอบหมดแหละก็กระตุ้นให้แข่งขันเพียงเพื่อต้องการผลงานเพื่อเขาจะได้ได้ได้ผลประโยชน์เยอะๆพวกเธอเครียดช่างเธอแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อซื้อทุกวันนี้นะเห็นไหมเราเปิดเข้าไปกิ้งกอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะไม่มองหน้าเราเลยนะมันถูกบังคับให้พูดทุกคนแค่เป็นเครื่องจักรสร้างทุนให้เขาเครียดหมดนี่คือผลมันผลพวงไหมแล้วการศึกษาก็ถูกแยกซอยเป็นเป็นคณะเป็นคณะเป็นวิชาวิชาโดยเอาเรื่องอาชีพมาหลอกเราว่าเธอจะได้มีอาชีพเม็นอาชีพนั้นแต่เขาไม่บอกเราว่าอาชีพนั้นเน่ะ เธอได้นิดหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปให้ทุนนิยมหมดทุกอาชีพนักการทํางานเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ช่างก็ถูกความคิดแบบธุกรกิจนิยมเนี่ยครอบมันไม่หมดนะตอนนี้พูดดังๆไม่เป็นไรเพราะครูพูดความจริงไม่ได้ว่าใครนะท่านในแง่สิทธิพรพ่อครูก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นชาวโลกคนหนึ่งท่านในทางศาสนา พ, พ่ะครูก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง เพราะครูพูดความจริงตอนนี้ไม่มีงบก็เป็นง่อยกันหมดไอวิชาความรู้ที่ติดตัวแล้วเนี่ยกลายเป็นทําอะไรไม่เป็นบ้านเมืองทุ่มเทการศึกษาเยอะมากตัวเองก็ทุ่มเทเอาเวลาขึ้นคอนจะิร์ตไปเรียนแล้วก็พ่อแม่ก็เสียเงินด้วยนะแต่ตอนนี้งบไม่มีก็เป็นง่อยงบมีก็ต้องงา ก, กันเพราะว่าที่ท่านเรียนมาทัานลงทุนไปสํานึกตรงนี้มันเกิดจากเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิด มันก็ผิดไปหมดเลย <c oughs> แม้กระทั่งวงการสาธารณาสุขเรามีคณะสาธารณาสุขถามจริงๆเถอะว่าเราสุขไหมไม่ใช่เมืองไทยนะทั่วโลกเป็นสาธารณาทุกเห็นไหมมันเป็นชื่อเรียกทีนีมน้มันแยกเป็นวิชาวิชา พ่อคูเคยบอกว่าเอาพูดเลยกระทรวงเกษตรสมัยก่อนมาศูนย์เรื่อยเอาชาวบ้านมาเพราะกูมีเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจเอามาดูงานอะไรอะไรพ่อครูให้มันทําเล่นนี่ยว่าเอางบประมาณมาใช้เล่นปีนึงเขาไปเชิญผู้ว่ามาในไร่พ่อคูนะผู้ว่าไม่เดินไปตามขบวนเขาว่าเขาจัดฉากหมดผู้ว่าเดินปิ้วเข้าไปในครัวเราเลยแหะไปคุยกับชาวบ้านเขารู้ไงมาใช้งบประมาณมาแล้วพาชาวบ้านมาเล่นมาเที่ยว แล้วก็กลับไปไม่เคยทําเลยมามามาไล่แหลมทองนะมาทีหนึ่งหลายร้อยคนพ่อครูเลี้ยงข้าวฟรีหมดเห็นไหมเรามีสํานึกว่าเรากลับจากอเมริกามาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเราจะสนองคุณแผ่นดินเกิดก็คิดว่าเอ้ยคนชนชั้นที่จนที่สุดในเมืองไทยคือเกษตรกรพราะครูก็จับอาชีพเกษตรกรนะทำเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจมาดูงานดังไปทั่วประเทศเกษตรเพื่อชีวิต นักโทรทัศน์ทุกช่องมาลงหมดนังสื่อทุกช่องมาลงหมดแต่ไล้สาละเพราะมันไม่ทำจริงไงนะทำให้งบประมาณมันหมดแล้วก็ตามมาสูญอีกตอนนั้นศาลาหลังเก่าเนาะมีมีโครงการใหม่อยู่เรื่อยก็เอาโครงการเกษตรยั่งยืนปีนั้นพระครูบอกหมดเวลาแล้วอย่ามาเล่นที่นี่ พเพราะครูก็ถามว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเขาบอกมีเงินอุดหนุนจากนิวซีแลนด์เขาฉลาดมากเขาไม่ต้องจ้างคนเขาใช้กลไกราชการบ้านเราแล้วก็ใช้กเกษตรกรคนจนเราเป็นเหยื่อแค่เขาเสียเงินก้อนหนึ่งพเพราะครูบอกไอโครงการนี้มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้กเกษตรกรยั่งยืนได้อย่างไรจริงๆแค่ใช้ก็ประมาณหมดแต่มารอให้กเกษตรกรไปลงทุนแล้วเป็นหนี้เป็นศินแล้วเนี่ย ก็ทิ้งเขาโครงการเดิมก็หายไปไหนไม่รู้นี่คือคนยุคนี้เนี่ยถูกครอบงำโดยธุรกิจนิยมสร้างกรรมก่นโดยไม่รู้ไม่รู้ตัวพวกครูก็บอกเขาว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรทุกกระทรวงมีแต่ละกรมแต่คนแต่ละคนเนี่ยทําตามก็ประมาณของตัวเองสมมติว่ากรมนี่มาส่งเสริมให้ปลูกหญ้ากรมนี่มาส่งเสริมให้เลี้ยงมา แต่ม้าที่มาส่งเสริมให้เลี้ยงเนี่ยมันไม่ไม่เหมาะกับหญ้าที่ปลูกมันคนละอย่างมันมันส่งเสริมแบบนี้ไงเกษตรก ร, เ, ร, กรเป็นเหยื่อเป็นแค่หนูหลองยาเรารู้หรือเปล่าว่าเขาจนเพราะอะไรจริงๆแล้วพ่อคู ม, มาใหม่ๆเขาก็จนนะยิ่งสุเขาคู ม, มาทันเขาจนแต่เขายิ้มหัวเราะได้ที่นี่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวในป่ามีอาหารธรรมชาตินะเข้าป่าก็มีอาหารแล้วไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้เนี่ยไอความคิดแบบธุรกิจนิยมมันแฝงมาด้วย ระบบราชการเนี่ยมาส่งเสริมให้เขาพัฒนาจากจนกลายเป็นยากจนจนไปว่าไม่มีไม่ได้ไปว่าทุกข์รวยไปว่ามีเยอะไม่ได้ไปว่าสุขแต่ตอนนี้เขาจากพัฒนาจากจนกลายเป็นยากจนทำไมยากละเขาเป็นหนี้เนี่ยเพราะความอยากรวยเรามาส่งเสริมเขาว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่เจริญเพราะครูก็โดนอะไล่หลัท้องเขามาสอนว่าต้องใส่ปุ๋ยยี่ห้อนัน้นยี่หอ้อนี้ปุ๋ยเคมีต้องฉีดยาอย่างนี้ เขาไปเพราะูไม่เคยทำตามเลยเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจเราทำเพื่อชีวิตคนพวกนี้แหละนักวิชาการเหล่านี้แหละมาส่งเสริมให้เขาจากจนกลายเป็นพัฒนาถึงยากจนบ้านเมืองทำไมไม่รับผิดชอบชีวิตเขาต้องยกเลิกหนี้สินเขาทั้งหมดเดี๋ยวคนนี้มาก็ส่งเสริมอ ะ, อะไรละ่ะอีสานเขียวอะไร เ, เขาก็เป็นหนี้อีกเนี่ย ส่งเสริมให้เขาปลูกยางนะเนี่ยพ อ, อยางมันราคาดีๆก็ส่งเสริมมีเงินกู้เงินอะไรยืมด้วยมีสกย อ, อะไรๆเนี่ยใครเป็นคนทําก็นักวิชาการเหล่านี้ไงตอนนี้ราคายางไม่ไดีบอกเขาตัดทิ้งแล้วเงินที่เขาลงทุนไปหมดชีวิตนี้เขาล้มละลายเลยนะนี่คือการพัฒนาแบบต่างคนต่างทํากระทรวงพาณิชย์ก็ทําอย่างหนึ่งกเษกษตรก็อย่างหนึ่งทีนี้ อีกปีนึงเขาก็บอกพวกครูว่านี่เขารวมกันแล้ว ก, ร, กระทรวงเกษตรทุกกรมกองรวมกันเลยพราะครัวไม่พอสมัยก่อนเนี่ยเรายกไมน้นิ้วเดียวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกตอนนี้เขารวมกันแล้วเขายกขึ้นพวกครูบอกมือนึงคุณยกเก้าอี้นี้หน่อยนี่มือหนึ่งยกไม่ได้ถ้ากระทรวงอื่นเขาไม่เอาด้วยเอาล่ะอีกกระทรวงหนึ่งมาช่วยยก ขามันไม่ชอบไม่เดินด้วยเน่คุณก็ไปไม่ได้นี่แหละความคิดแบบแยกส่วนการศึกษาก็เป็นแบบนี้นี่คือเจตนาของทุนนิยมเขาจะไม่ให้เราฉลาดเกินไปเธอรู้เรื่องเดียวเก่งเรื่องเดียวแล้วก็เป็นมาเป็นเครื่องมือในการสร้างทุนของชัดการศึกษาเห็นเข้า้ๆว่าแยกเป็นสองส่วนคือวิทยาศาสตร์กับศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็แตกแขนงเป็นหลายๆ ย, ย่อยๆอ อ, ออกไป เพื่อเป็นแค่อาชีพศิลปะ ก, ก็แยกซอยออกไปเพื่อเป็นอาชีพเรารู้เรื่องเดียวแล้วเราจะบริหารชีวิตตัวเองถูกหรือเปล่านั่นแหะคือเจ ต, ตานาของทุนนิยมไม่ให้ต้องคุณรู้เยอะแล้วก็เอาลาบยศสรรเสริญมาล่อดเราว่าเธอทําเธอจะดังนะเธอจะภาคภูมิใจอะไรนะเราตายเปล่าพราะครูถึงหนีมันมาไงแล้วเบิดแล้วนี่พ่อครูไม่กล้าพูดอะไรเลย มันเป็นไปทั้งโลกแล้วเราแก้มันไม่ได้แต่ชีวิตเป็นของเราเรามีสิทธิ์เลือกพวกคูก็เลือกมาอยู่ในป่าและตอนนี้มันก็ตามมาอยู่ในป่าเลยละขนาดนีมานะสิบเอดปีไม่มีไฟฟ้านะสงบนิ่งเขาก็ตามเข้ามาชาวบ้านตอนนี้ที่ดินหลุดมือหมดแล้วอย่าไปถ่วยเขานะ เราแจกที่ดินนี่เขาเป็นสประกออะไรแต่ที่ดินนั้นเนี่ยทำให้เขาดํำรงชีวิตไม่ได้ทําอะไรก็ขาดทุนขาดทุนขาดทุนไม่ใช่เขาขี้เกียดนะเพราะกูก็เป็นคนอีสานนะมาใหม่ๆไปชนบุรีอะไรเขาเชิญไปบรรยายไปสอนอะไรเนี่ยนะคนที่น่นเขาก็ไม่รู้เพราะกูเป็นคนอีสานเขาหวักลูกน้องเขาเป็นคนอีสานพวกนี้มันไม่ดีนะไปขโมยยอดมะพร้าวอะไรเขาเลื่อยอะไรอะไรเนี่ยมันด่าคนอีสานเะพราะกูก็โดนด่าด้วยไง บอกคนอีสานมันมันขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจนะยิ่งขยันก็ยิ่งเป็นหนี้นะตอนนั้นเขาทำนาครั้งหนึ่งเขายังอยู่กับลูกเมียเขาได้นะ <c oughs> พอคลองส่งน้ำมาทัานพี่บูนเนี่ยอุ้ยเขาก็ทำสองครั้งสองครัอยู่กับเมียไม่ได้อสองครัก็จะมีรายได้สองครั้งเรามองแต่เรื่องรายรับกลายเป็นรายได้ เราพัฒนาจนเขาเป็นคนยากจนนะเขาทําครั้งหนึ่งเขาขาดทุนครั้งหนึ่งขาดทุนยังอ้อมแอมยังทํางานแถวนี้ได้ก็อยู่กับลูกเมียได้ทำสองครั้งเขาขาดทุนสองครั้งอยู่กับลูกเมียไม่ได้ต้องไปจํงางานกรุงเทพเอาเงินมาซื้อค่าปุ๋ยค่ายาเนี่ยเราพัฒนาเขาเขาเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดของเขาไอ้คนเรียนเก่งๆแล้วทําไมพาคนจนเขาหลงทางนี่แหละตอนนี้ความรู้เรามันในรูปของวิชาการสังเกตไหม ถ้าใครมีโอกาสเรียนมหาวิเลยเนี่ยทุกอย่างต้องถูกบังคับว่าต้องยึดทางหลักทางวิชาการนะออกเป็นค่าจาการก็ต้องยึดทางวิชาการนะเขาตีกรอบให้เราอยู่ในกรอบที่เขาต้องการเราไม่กล้าคิดนอกกรอบเลยเราต้องเป็นทาสเขาตลอดชีวิตเป็นม้าให้เขาขี่เฉยๆต้องดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นเราตั้งโจทย์ผิดเราจะทําถูกแค่ไหนมันก็ผิดเพราะครูชี้ให้ดูว่าโลกใบนี้มันเกิดอะไรขึ้น แม้กทั่งเจ้าลทัทธิทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยเขาก็กําลังจะตายเพราะเขาร้างผ่านทรัพยากรของโลกจนเกือบจะหมดแล้วไงนะจี G 7, G เจ็ดจีปดนี่แหละตัวดีเขาเปิดบอนเขาก็แข่งกันเองนะเขาทำลายทรัพยากรเอาน้ำมันขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านมาเร็วมาแลกเป็นเงินมาสร้างวัตถุแล้วก็สร้างมองข้างข้างเฮ้ย hey, มัน ไอ้คู่แข่งมัน G7 G8 มันใหญ่กว่าเขาก็ทําใหญ่กว่าเอาทรัพยากรของโลกมาสร้างวัตถุก็แข่งกันแล้วก็มาหลอกกุ้งหอยปูปาาลาประเทศเล็กๆหนึ่งมาเล่นเล่นปุ๊บเขาก็กินหมดกินหมดให้เนี่ยตอนนี้กรีซกาลังจะเจงให้เธ อ, อเจงไม่ได้เธอจะเสียเครดิตน ะ, ะทุนนิยมก็เอา IMF มาฉันจะช่วยเหลือเธอช่วยปุ๊บมันก็ส่งคืนไม่ได้เธอทําแบบนี้เสียเครดิตเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเสียเครดิตเดี๋ยวจะให้กู้เราก็ไปจ่ายเขา แล้วก็ไปเอาทรัพยากรเขาบีบให้เขาหน้าเขียวไปหมดตอนนี้เมื่อจุดเริ่มต้นมันคิดผิดละ่ะทุกอย่างทำถูกแค่ไหนมันก็ผิดนะเพราะคูเคยเขียนในเกรรษตรเพื่อชีวิตบังเกินอธิการบดีคนเก่าที่อุบลเนี่ยเขาเป็นคนอุบลพ่อเขาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวนะในนั้นพ่อคูยกตัวอย่างว่ามีท่แก่คนหนึ่งเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวนะเปิดตั้งแต่เช้า แล้วก็เที่ยงบ่ายสามปิดแล้วนะตีเข็มร้องเพลงเขาก็อยู่สุขสบายเขาเลี้ยงลูกจนจนเติบโตตอนนี้ลูกเขาเนี่ยเป็นอธิการบดีอธิการคนนี้เห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยแกตอนนี้แกเป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการสภาเนี่ยแกวิ่งมาหาพวกครูนะเสนอจะให้พ่อคูไปรับปริญญาอะไรอะไรพวกว่าไม่ไมพ่อคูไม่ได้ทำเลยพ่อคูหนีมันมานะก็ขออนุญาตพิมพ์เกษตรสดดวชีวิต ในนามมหาเวลยัยแจกเพราะพระครูเขียนว่ายิ่งแหลมก็ยิ่งคับแคบยิ่งคมก็ยิ่งเปาะบางพยาตีแค่นี้โทแค่นี้เอกแค่นี้แหลมคมมากก็จะเอาไปทิ่มแทงคนอื่นนะเสริมอาวุธทางปัญญาฝนจนเปาะบางมากแต่ต้องไม่ได้เลยอัตราเยอะเลยนี่การศึกษาทางโลกยิ่งเรียนก็ยิ่งมีอัตรายิ่งเรียนก็วิชั่นมองเรื่องเดียว เรื่องอื่นฉันไม่เอาไม่ใช่เรื่องของฉันพเพราะครูเคยสัมผัสพเพราะแกมาอธิการแกบอกว่าเนี่ยแกกะบอกพ่อเขาขายกว๋วยเตี๋ยวเขาขายกว๋วยเตี๋ยววันหนึ่งเขาขายพันบาทลูกเขาก็กินกว๋วยเตี๋ยก็โตขึ้นมาก็ได้เรียนหนังสือเขาไปสามเขาก็ปิดร้านแล้วตีขิมร้องเพลงวันในวันหนึ่งไอ้เขาแก่หน้าบ้านเขาคุยกับเมียเขาว่าเอ๊ะนี่มันสบายเกินไปเดี๋ยวจะทําให้มันไม่สบาย เรียกมันมาคุยว่าเฮ้ยทาไมไม่เปิดร้านพัฒนาคารเดี๋ยวจะให้เธอกู้อันนี้มันไม่เจริญเติบโตไงเออหรือว่าไม่อยากเป็นนี่ชั้นดอกเบี้ยแพงไปกู้เงินธนาคารสิไปกู้เงินธนาคา ร, นนาคารมาเปิดพัทยาพัฒนาคารใหญ่โตตอนนั้นขายวันหนึ่งพันบาทเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตบายสารก็หยุดพอเปิดพัฒนาคารเพิ่เที่ยงคืนก็หยุดไม่ได้ขายไว้ได้เป็นหมื่นนะแต่ไม่พอจ่ายหนี้ จะเรินไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงสมมติว่าเรามีเงินเดือนมื่นไอ้แสนบาทเงินเดือนนี้เป็นแค่รายรับนะไม่ใช่รายได้แต่เราจ่ายไปแสนสองถามว่าเหลือเงินเท่าไหร่ติดลบสองหมืน่นอีกคนหนึ่งเขามีเงินเดือนห้าพันเขามีรายรับห้าพันเขาจ่ายไปสามพันเขามีรายได้เหลือสองพันคนนี้ย่อมมั่นคงกว่า แต่ตอนนี้เรา GDP เราถูกทุนยมมันหลอกว่าเธอต้อง GDP ต้องตัวเลขเยอะๆนะเธอต้องทําให้ฉันเชื่อถือนะฉันจะมาลงทุนนะถ้าการลงทุนเป็นการช่วยเหลือชาติเขาทำไมไม่ลงทุนในประเทศเขาเขาโง่เหรอเขามาหลอกเราเธอต้องมีสิทธิพิเศษนะฉันจะสร้างงานให้เธอนะนะเธอจะได้เศรษฐกิจดีขึ้นนะ เขามาลงทุนบ้านเราเนี่ยเราต้องเสียดุลการค้าไปซื้อน้ำมันไปซื้อถ่านหินไปซื้ออะไรมาผลิตกระแสะไฟฟ้าให้มันกาดดุลการค้าเราโง่แล้วโง่อีกนั่นแหละทุนนิยมละ่นะนักวิชาการก็ทำตามเขาไงเก่งจริงๆเหรอเก่งจริงๆทำอะไรโงโง่แบบนี้ทำไมบาปนะและทำให้คนเขาคุ ย, ยงจนเขาไม่ได้เลือกว่าเขาจะเกิดเป็นคนจนเนี่ยเขากระกลายเป็นแพะเป็นเหยื่อ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 มีแต่ความจริงซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งจากความรู้ผิดของมนุษย์นะเราก็ไปหลงมันชีวิตเราก็ทุกข์สิสาธารณะทุกข์ทั่วหน้าเครียดไปหมดวิชาการก็ทำให้มันได้ผลสิทำไมมันไม่ได้ผลเพราะมันถูกธุรกิจนิยมบล็อกไว้อยู่ถ้าเธอทำได้ผลธุรกิจนิยมมันก็เจ๊งไง เรื่องอะไรขนาดมันเอาเปรียบขนาดนี้นะโลกนี้ยังไปไม่รอดเลยแล้วก็เห็นไงยูโรโซนนี่ประเทศเขาพร้อมมากกว่าเราเลยเขาก็กําลังจะตายเรายังจะไปอาเซียนเพราะทุนข้ามชาติเขาจะได้ประโยชน์มหาศาลไปอาเซียนไปอาเซียนโดยไม่มาถามเลยแล้วพวกเราเอาไหมไม่เคยประชาเขาเรียกว่าประชาอะไรนะม า, มาถามเราเลยเนาะว่าเอาไหมไม่ไปอาเซียนไปอาเซียน ทุกรออยู่ข้างหน้าเพราะความอยากของมนุษย์กลุ่มหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ตั้งแต่กรรมกรขึ้นไปเตรียมตัวทุกได้แล้วการแข่งขันยื้อแย่งค่าแรงงานเขาก็ถูกกว่าเราจนระดับต่างนนถ้าไม่ถ้าไม่ปรับตัวอย่างนี้ทุกคนเป็นเหยื่อกับสิ่งนี้นะเขาทำลายล้างจนโลกใบนี้ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้มันจะหาเรื่องจะไปหาดาวดวงอื่นนะ จะไปยิงอุกาบาทไปหาทรัพยากรทั้งนั้นนี่คือความอยากของมนุษย์พราะกูชี้ให้ดูอันนี้พูดถึงเรื่องวิชาการทุกวันนี้เขาแยกขแขนงแยกขแขนงให้เธอรู้เรื่องเดียวถ้าเธอรู้มากฉันจะใช้เธอไม่ได้ถ้าเธอรู้เรื่องชีวิตเนะ่ยเธอยิ่งจะต้องไม่เป็นลูกจ้างฉันเขาไม่อยากให้เราเรียนรู้หรอกเรียนรู้แต่วิชาการเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างทุนให้เขาเท่านั้นเอง นะเพราะอะไรยุคนี้เป็นยุคที่แข่งขันไงทุกคนต้องเพิ่มอาวุธทางปัญญาเพิ่มเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เลยมีบทบาทนะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ดีนะพระครูเคยอาจารย์อ้อยเรื่อยๆความคิดแบบวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าก็สอนแบบวิทยาศาสตร์อย่าพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆต้องทดลองทดสอบวิจัยด้วยตัวเราเองอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายเป็นเรื่องดีแต่บังเอิญว่ามันถูกธุกร ก, กิจนิยมบล็อกไว้อยู่แล้ววิทยาศาสตร์ ถูกใส่ความคิดว่าต้องทดลองทดสอบเห็นด้วยรู ป, ปรธรรมเท่านั้นเขาปฏิเสธนามมาทำอย่างร่างกายแล้วเขาพี่เขาจะวิจัยว่าทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงปวดหัวปุ๊บเอายาพาราไปกินวิทยาศาสตร์รู้แค่นั้นเป็นระงับประสาทและทำไมธรมากินบ่อยๆมันเอ๋อนะประสาทมันไม่โตไมมันถูกระงับเรื่อยๆจากจิตหลอนกลายเป็นประสาทห้อนอีก ทำไมทำไมยี่หกปีพกก่อคูไม่ปวดหัวเลยไม่ใช่เรื่องกายภาพมันก็แก่ไปตามอัตภาพแต่เรื่องจิตวิญญาณต้นเหตุที่ทำให้เราปวดหั ว, วเพราะเราคิดมากมันเป็นเรื่องของอารมณ์เครียดวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึงเราวิจัยแค่ครึ่งเดียวเห็นไมเราเอากายอย่างเดียวเราไม่เอาจิตวิญญาณเนี่ยพราครูถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ถ้าขาดศาสนาแล้วเนี่ยเปรียบเสมือน เอาคนขาขาดดีกว่าไม่ใช่แขนขาดเดี๋ยวจะมีอะไรเล่าให้ฟังเห็นไหมเหมือนคนแขนขาดทีนี้มาพูดถึงศาสนาตอนนี้ศาสนาก็กลายเป็นแค่วิชาศาสนาวิชาพุทธศาสนาศาสนากลายเป็นวิชาไปแล้วก็ถูกความคิดแบบธุรกิจนิยมทุนนิยมมาครอบไป ถ้าศาสนาเฟื่องฟูคนฉลาดมีปัญญาแล้วทุนนิยมเขาจะครอบงำเราไม่ได้ศาสนาก็ถูกทำลายโดยทางตรงทางอ้อมเห็นไหมสมัยเด็กๆพราะกูยังเรียนพุทธศา ส, าสนาเต็มคาบนะทุกวันนี้เอาไปซ่อนอยู่ในวิชาสังคมนิตินหน่อยๆก็ไปท่องจำนิตินหน่อยๆนะเพราะเขาไม่ต้องการให้ศาสนามีบทบาทตอนนี้ศาสนาก็กลายเป็นธุรกิจ พุทธพาณิชย์ทุกๆศาสนากลายเป็นธุรกิจหมดหลายแห่งกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งหาเงินเห็นไหมตัวศาสนาเองทุกๆศาสนาทุกๆศาสนาท่า น, นรบรรลุธรรมพราะกูเชื่อส่วนขั้นไหนอีกเรื่องหนึง่งโดยเฉพาะในพุทธศาสนาเราเจ้าชายยรตัสลุทําเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ตัดสลุอะไรตัดสลุอริยสัจสีความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการคือทุก สมุไทยนิโรธมักความจริงนี้เนี่ยทนต่อการพิสูจน์พระองค์ท้าทายเลยท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมพุทนั้นเห็นเราจะถาคตอีกกี่ล้านปีใครก็ลบล้างมันไม่ใช่ทฤษฎีเมื่อกี้ก็แว บ, บขึ้นมานะก็สมัยพุทธกาลมีพระอาจารย์สัญชัยซึ่งเป็นลือสีหรืออะไรนะ่คล้ายๆว่าเป็นอาจารย์ของโมฆลลานะ นะก็ไปติดบ่วงสมาธิติดบ่วงฌานอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้โมคลานะมาพบพระพุทธเจ้าแล้วกนีก่ไปเชิญอาจารย์ท่านมาอาจารย์สัญชัยถามพระพุทธเจ้าว่าหลักการที่ท่านสอนนี่คืออะไรเขาจะต้อนพระพุทธเจ้าเข้ามุงนะเพราะข้าไม่เคยเชื่อเรื่องหลักการ ใ, ใดๆเลยพระพุทธเจ้าบอกขนทางที่เรานำเสนอนั้นไม่ใช่หลักการไม่ใช่ปัจฉญา แต่เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากข้าจริงๆข้าเพียงแท่มาเล่าความจริงให้ฟังเฉยๆมันไม่มีหลักการตายตัวแต่ตอนนี้ศาสนาเป็นยังไงเห็นไหมทุกๆศาสนาก็พกคโยโอมีกาคริสตเองก็แยกเป็นหลายๆลัทธินิกายเพราะความเชื่อไม่เหมือนกันแล้วทุกคนก็มีหลักการของตัวเองแล้วทุกบังให้ทุกคนต้องทําตามหลักการนั้นมันถึงไม่ไปไหนไง เข้าใจหรื อ, อยังว่า26ปีพรอครูเนี่ยไม่เคยตั้งชื่อเรียกมาเลยที่เราทําไม่มีวิธีที่ศูนย์ไม่มีกติกาไม่แต่ข้อหนึ่งไม่มีหลักการที่ชัดเจนเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องมันเป็นนานาจิตตังถ้าจิตเข้าถึงแล้วมันไม่โง่ที่จะไปตั้งหลักการตั้งอะไรเป็นบล็อกเป็นแท่งๆมันก็กลายเป็นแค่วิชาการแล้วก็มานั่งทะเลาะกันว่าของฉันถูกของเธอผิดนะเนี่ย เราไปหลงกับหลักการเพราะว่าความคิดแบบทุนนิยมเนี่ยเขาจะไปสร้างอะไรบล็อกให้เราไว้อย่านอกหลักการที่เขาวางไว้อยู่ในเครือขา่ายอยู่ในโปรแกรมที่เขาต้องการเขาจะครองโลกตอนนี้ลูกหลานเราก็เป็นเหยื่อเขาไม่มีสิทธิ์เลือกจะให้เขาคิดนอกกรอบเขาคิดไม่เป็นเพราะเขาถูกสอนให้จาแค่จา วิชาการต่างๆโดยเฉพาะชั้นมัธยมเนี่ยไปเรียนวิชาการต่างๆเป็นแค่เครื่องมือพิสูจน์ว่าเธอขยันจำไหมเธอขยันจํำไหมมาประเมินความจํากันเธอเก่งเขาต้องการให้เราเก่งแบบโง่ๆไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นแล้วก็เรียนไปตามลายที่เขาวางไว้มีกี่วิชามีกี่อาชีพตอนนี้ทุกอาชีพนี่ยอยู่ในกำ ม, มือของทุนนิยมอยู่ในกํา ม, มือของธุรกิจนิยม แล้วก็ตัวไอเดียตรงนี้เนี่ยมันแพ้แล้วความคิดแบบนี้แก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้แล้วมันหลอลมไปไม่รอดนะไปไม่รอดทีนี้ถ้าเรานับถือศาสนาแบบนี้เป็นหลงหลักการพิธีดีตองวิธีการตายตัวเนี่ยนะเป็นการนับถือศาสนาแบบหลงงมงาย พระครูถึงบอกว่าถ้าศาสนาขาดวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดเหมือนคนตาบอดเราดีๆนี่แเพราะเราไปทําตามที่เขาบอกเราว่าเราต้องเชื่อที่เขาบอกแม้กระทั่งทุกคนก็อ้างคําสอนพระเจ้านะแต่เราไม่เข้าถึงคําสอนจริงๆพระองค์สอนอย่างนี้จริงๆหรือเปล่ามิเธออ้างตัวหนังสือแล้วก็แปรถูกแปรผิดเข้าข้า ง, างทิฏฐิมานะของตัวเองนี่แหละถ้านับถือศาสนา แบบศรัทธาแบบหลงงมงายแล้วก็เหมือนคนตาบอดนะวิทยาศาสตร์ถ้าขาดศาสนาเหมือนคนขาขาดศาสนาถ้าขาดวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดทีนี้เร็วๆนี้ก็มีคนส่งหนังสือให้พระครูเล่มนึงพระครูก็อา่านเขาก็ยกตัวอย่างอย่างนี้นะคนคนนี้เป็นนักปราชญ์เป็นนักปัญญาเขาก็ชอบเป็นนักพูดนิทานเพราะเขาอ่านหนังสือเยอะเขาเป็นนักปัจญญา มีขอทานสองคนคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งขาขาดเขาอาชีพเดียวกันคือเป็นขอทานเขาไม่ถูกกันเขาแย่งลูกค้ากันแต่เขาอาศัยอยู่ในชายป่านั้นเหมือนกันมีวันหนึ่งไฟไหม้ป่าเขาก็รอนมันใกล้ตัวเขามากเลยนะไอ้คนไม่มีขามันก็วิ่งไม่ทัน ไอ้คนตาบอดมันก็ไม่รู้ว่ามันไม่ตรงไหนต่างคนต่างเรียกหากันนะไอ้คนขาขาดก็เรียกตาบอดกูยอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้มึงมาเห็นไหมมันก็เอาไอ้คนขาขาด ข, ขี่คอมันไอ้คนตาบอดก็มีหน้าที่วิ่งเห็นไหมมันต้องร่วมกันาศาสนาวิทยาศาสตร์ แม้กระทั่งศาสนาเองเนี่ก็ไม่ใช่สัจธรรมความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกนี้มันเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นมาอย่าว่าแต่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ความจริงซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นมามันเป็นาศาสตร์วิชานิดเดียวหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คน้นค้นหาความจริงตามธรรมชาติแต่บังเอิญเขาค้นหาความจริงในหมวดเดียวคือกายภาพหรือว่ารู ป, ปรธรรมเขาปฏิเสธนามธรรมา เขาถึงแก้ปัญหาไม่ได้เห็นไหมถ้าไอ้ตาบอดไอ้ขาขาดมันไม่ร่วมมือกันมันตายหมดนะโลกใบนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ตายหมดมันก็กำลังจะตายแล้วข้างล่างเป็นพวงหมดผู้เจ้าเนี่ยเป็นนักเวียศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลพระคูถึงใช้ว่าพระคูเลิกนับถือผู้เจ้าทันทีในยี่หกปีที่มันระเบิดตรง น, นั้นน่ะบูชาถวายชีวิตพระ อ, องค์ไปรู้ได้ยังไงไปเห็นได้ยังไง ไม่ใช่เห็นเฉยๆรู้วิธีแก้ด้วยเพราะพระ อ, องค์รู้รอบวิทยาศาสตร์รู้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็บกังเอิญว่าพอมาตั้งเป็นศาสนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคำสอนก็กลายเป็นรูปของภาษาเดี๋ยวตอนนี้เราเราเราเอาเวอร์ชั่นภาพยนตร์พระบุทธเจ้ามาค่อยๆดูนะดีมากเพราะครูบอกแล้วไง วันที่พระ อ, องค์ตัดสรู้ทมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะพระ อ, องค์ประกาศเลยว่าเราคือพุท ธ, ธเราคือศาสนาเราคือศาสนาคือต่อไปนี้เนี่ยคำที่พระ อ, องค์เป่งออกมาเป็นศาสนาแต่ตอนศาสนาทุกวันนี้มีโครงสร้างมีรูปแบบของศาสนามีหลักการของศาสนามันจึงไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริง ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราไปนับถือศาสนาเราก็มีอัตตาว่าของชั้นแท้ของเธอเทียมจะเพราะเมืองไทยเองก็แบ่งเป็นสองขั้วทะเลาะบ่แว้งกันทุกคนมีอัตตาของตัวเองถ้าศาสนาจริงๆไม่ทะเลาะกันให้เราเข้าใจอย่าไปหลงนะพาะครูก็จัลงศาสนามายี่สิบกปีแต่พาะครูไม่ประกาศศาสนาพกก่อครูประกาศพรมอาจารย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลก ประกาศศาสนาไปแข่งกับศาสนาอื่นมันก็เกิดจะเกิดสงครามตอนนี้กําลังจะเกิดนะอิสลามเขากําลังร้อนลุ่มพวกศาสนากําลังจะมีเรื่องกันจะเป็นสงครามศาสนาผู้เจ้าไม่ได้บอกไม่ดํำดี่ให้สาวกจา่าเลียวไปประกาศศาสนาพระองค์ดําดี่ให้สาวกจา่าเลียวไปประกาศพรหมาจารย์ชี้ทางผลทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งละที่ใด ล, ละที่หนึ่ง ตอนนี้เฉพาะเมืองไทยเรามีกี่รัฐที่ล่ะที่ผ่านมาพระครูจึงไม่ร่วมสังกกรรมเวลาที่เหลือพวกก่อครูพ่อครูก็จันลงาศาสนาโดยประกาศภรมจันชี้ทางผลทุกให้เขาก็จะเป็นคนชาติไหนเขาจะนับถือาศาสนาไหนก็เรื่องของเขาเขาเป็นฝรั่งเขาก็เป็นฝรั่งจะให้เขามาเป็นคนไทยทําไมบางคนก็อ้างมีแต่คาสอนพุทธเจ้าฉันก็อ่านหนังสือเป็นน่ย ทำไมเธอต้องมาสอนฉันอ่ะใช่ไหมล่ะอ้างแต่ว่าตีความเข้าข้างที่ติมานะของตัวเองนะผู้เจ้าทั้งหมกอย่าเพิ่งเชื่อตำราไงพอตำราพวกมันเป็นตัวหนังสือแล้วมันยาบเกินไปที่จะอ่านพวกทุกคนเข้าใจเหมือนกันพระไตรปิฎกเริ่มเดียวกันคนหนึ่งแปลนิพพานว่าอัตตาคนนึงแปลว่าอนัตตาทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วนี่เหรอนี่คือความรู้ไงองค์วิชาไงมันไม่ใช่ปัญญา พระองค์บอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตชั้นตรงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเจ้าชายสริตถาก็มีไม่มีพระใจบิดกอ่านพราเริ่มจากประสบการณ์ของพ่อเอ๋พ่คุยของพระ อ, องค์เองเห็นไหมแต่ตัวศาสนาไม่มีอะไรเสียหายเหมือนเราเปิดโรงเรียนนี่ยโรงเรียนไม่มีอะไรเสียหายแต่เราจะไปหลงว่าโรงเรียนนี้ของเรานะศาสนานี้ของกูกูของแท้มึงของเทียมนะ่ย อันนั้นไม่ใช่ศาสนาศาสน า, า, า, าไม่ได้สอนอย่างนั้นาศาสนาสอนให้ลดละเลิกเมื่อโรงเรียนมันมีประโยชน์แล้วเราก็ดูแลโรงเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคำสอนพทธเจ้าหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเด็กแต่ไม่ใช่ไปหลงโรงเรียนโรงเรียนไม่ได้ทำอะไรถูกไม่ได้ผิดแต่คนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบุคลาก็โรงเรียนต้องระวังเดี๋ยวถูกกิเลสมันครอบงานะ นะถูกกิเลสครอบงามหมดเพราะเราไม่ระวังไม่สมรวมระวังนะพ่อครูชี้ให้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ในสังคมแบบไหนแล้วเราจะเลือกชีวิตอย่างไรเราหนีโลกไม่ได้ไม่ใช่พ่อครูหนีมาทําไงไม่ได้หนีอันนี้ก็แผ่นดินโลกนะที่แปลงนี้เนี่ยพราะครูขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนมูลนิธิ ดูแลไม่ต้องขึ้นชื่อใครทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่ของใครนะของสัตว์โลกทั้งหมดของคนทุกชนชาตินะแต่เราเป็นยังไงเราถูกนับถือพุทธ ต, ต, ตั้งแต่ตั้งแต่กำเนิดยิ่งมาขนาดนี้พวกกูว่าพุทธไม่มีอะไรเสียหายถ้าคุณเข้าใจพุทธจริงๆเนี่ยพุทธมีประโยชน์พักกูก็เป็นพุทธแต่เรามีหน้าที่ รักษาแก่นธรรมไว้โดยการประกาศพรมอาจรรย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดอย่าไปประกาศศาสนาแย่งชิงมวลชนแข่งกับคนอื่นสร้างสงครามทำไมผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นทุกคนก็อ้างศาสนาระวังนับถือศาสนาแบบหลงงมงายโดยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละศาสนาก็เปเน้นเรื่องจิตวิญญาณใช่ วิทยาศาสตร์ก็เป็นเน้นเรื่องกายภาพต้องรวมกันต้องรวมกันทั้งสองอย่างทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสนาทั้งศาสนาอิสลามอะไรเนี่ยไม่ใช่ธรรมะมันไม่มีอยู่จริงในตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้แต่ถ้าเราหลงมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเป็นโทษอย่างยิ่งตอนนี้ต๊ ห ล, ลงไปไงลัทธิชั้นลัทธิเธอนะเอาข้อปีกย่อยกันมาทะเลาะ ก, กันไม่มีจุดขายไม่มีปัญญาให้เขาอ้างคำสอนพระเจ้ามาพินเป็นตําราขายเนี่ยเอาคำสอนพระเจ้ามาเป็นสินค้าตอนนี้กำลังทำอยู่ตั้งลัทธิใหม่ทำให้ขัดแย้งกันไปหมดบางทีข้อปิดย่อยที่พระเจ้าเป่งใช่ไหม สมัยพุทธกาลถ้าเราเรียนศึกษาพระไตรปิฎกก็อ่านให้มันหมดสิทำไมพระองค์เป็งกับสาวกองค์นี้พูดอย่างนี้เป็งขคนนี้องค์อย่างนี้แน่นอนเราพูดกับลิงต้องใช้ภาษาลิงเราจะใช้ภาษาล็อกด็อกเตอร์กับมันมันรู้เรื่องเหรอบางทีลิงแล้วต้องปดอย่างนี้เสือต้องปดอย่างนี้คนเรามันมีนาณาจิตต่างไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไปอ้างตรงนี้ตามที่ตัวเองเชื่อก็ไปยึดมั่นถือมั่นต้องเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องไร้สาระ มันไม่เกี่ยวกับการทนทุกข์นะพระครูเห็นจากตัวเองเลยพราะครูไม่มีศีล น, นะศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทําหมดไงสี่สิบปีไงแล้วทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้องคุริมาเนะ่ะผิดศีลไหมฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยเหรอทำไมบรรลุทำได้ไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องไปเป็นแบบองคุริมามันไม่ใช่ แต่เราคนมีเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันที่มาที่ไปก็ไม่เหมือนกันผู้เจ้าบอกให้ละเว้นผู้เจ้าสอนทางสายกลางนะไม่ใชใ่ไม่ให้ฆ่านะสายเซนเขาเนี่ยเขาพระเขาขุดดินนะเขาอยู่ในป่าเขาก็ต้องปลูกผักเลี้ยงตัวเองนะพอเขาขุดขึ้นมาเขาเจอไส้เดือนเขาทำยังไงมันขาดครึ่งนะเขาก็ตี ต, ต, ตีให้มันตายไว แต่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่มีเจตนาร้ายกับมันให้ละเว้นละเว้นอรหันต์ยี่กงกินเหล้าเมาทุกวันกินเนื้อสัตว์ทำไมบรรลุอรหันต์ยี่กงได้บรรลได้ไม่ใช่ห้ามให้ละเว้นเพราะว่าถ้าเรากินแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสติไม่มีสตังค์แรงๆเนี่ยเราก็เมาขาดสติแล้วไปสร้างกรรมใหม่เพราะบอกให้ละเว้น นะเราต้องเข้าใจศีลคืออะไรศีลคือความปกติของจิตจิตทุกดวงเกิดมาเนี่ยถ้าเราไปเป็นทาสานพ่อแม่เอาไปทิ้งโนอยู่ในปา่าขี้เกียจเลี้ยงเนี่ยเราจะโชคดีมากนะเราจะไม่ต้องถือศีลห้าเลยเราจะมีศีลห้าเต็มเปี่ยมทาสานมีศีลห้าเต็มเปี่ยมเลยนะไม่ต้องถือศีลเลยนะทุกวันนี้บางทีมือถือสากปากถือศีลถือถ อ, อหลุดๆมันไม่ใช่ศีลจริงๆ มันเป็นแค่ข้อบังคับเป็นแค่วินัยถ้าจิตมันเข้าถึงสภาวะเดิมเป็นปกติแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีความอยากไม่มีอนาคตแล้วทำไมมันต้องไปผิดศีลล่ะทารามันต้องโกหกไหมถ้าไปโกหกไปทำไมล่ะมันไม่มีความอยากได้มันไม่รู้ว่ารถยี่ห้อแพงๆเป็นยังไงมันอยากได้ไหมไม่ไม่อยากได้มันไม่ต้องไปผิดศีลไงตอนนี้ศีลเราหายไปไหนหมดใช่ไมเราถูกความรู้ผิด ต้องชนะต้องเก่งใช่ไหมทุนนิยมเขาสอนภาษาเราเนี่ยต้องเพิ่มอาวุธทางปัญญาถามว่าคุณจะเอาไปฆ่าใครหรอเอามาทำลายมนุษย์ด้วยกันเองนี่ไงแล้วนักวิชาการเนี่ยเราก็ไปเชื่อเขาเอาความสามารถของนักวิชาการเนี่ยไปสร้างเครื่องมือทางปัญญาให้เขาไงแล้วก็มาเอาเปรียบคนจนกรหนักแนละ้ว อย่าคิดว่าเราสร้างชาตินะอย่าคิดว่าเราเสียสละเพื่อโลกนะเรากําลังสร้างกำหนักทีนี้พ่อครูเห็นพ่อครูเบรกเขาไม่ได้ไงแต่ชีวิตเป็นของเราเราเบรกตัวเองได้เราไม่ได้หนีมานะเราถอยมาตั้งหลักเพื่อเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครสู้เท่ากับเราหรอกเช้าสายบ่ายเย็นไม่เคยหยุดเลยใช่ไหมเธอขยันแค่ไหนนะ มีใครปฏิบัติธรรมทุกวันถ้าปฏิบัติธรรมทุกวันนะเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ในศาลานี่หชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในมรรคตลอดลเราเจริญมรรคผลนิพพานทุกวันไม่ได้ทำเล่นไม่ใช่พูดเฉยๆทำเป็นกิจวัตรประจาวันเป็นอะไรล่ะไม่ใช่วิชาสอนนะมันเป็นจริยวัตร มันเป็นหน้าที่มันเป็นวิถีเนี่ยการเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่ว่าขยันใช่ก็มาเจริญไม่ขยันฉันก็เลิกเลิกเจริญน่ยมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นแค่ฝึกวิชาสมาธิวิชาสติเฉยๆมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมสัหน่อยหนึ่งนะเราปฏิบัติธรรมทุกวันที่นี่เพียงแต่ว่าเราแบ่งเวลาเออช่วงไหนเราจะไปเคลียร์คัดข้างในออกไปข้างนอกเราก็ต้องใช้อะที่เราฝึกมากําลังเนี่ย มาวัดดวงเราดูว่าเออเราโดนกระทบมาได้ไหวไหมเนี่ยที่บอกว่าบางคนในปฏิบัติแล้วมีกิเลสเยอะๆไม่ใช่เยอะขึ้นมันเห็นชัดขึ้นสมัยก่อนเราไม่เห็นมันเราโกรธเราก็เป็นโกรธเลยเราก็โกรธตามมันเลยไงแต่ตอนนี้เราเห็นมันชัดขึ้นนะไม่ใช่มันมากขึ้นนะก็ตั้งมั่นดำเนินต่อไปนะไม่มีหรอกน้อย แม้กระทั่งเป็นแหล่งที่ศาสนาตรงๆเป็นวัดเป็นบารายใด ก, ก็น้อยมากที่เขาจะทาแบบนี้นะเข้าวัดเป็นเราไปเข้าวัดก็เป็นเข้าแพร่วันสําคัญไปทำบุญทำอะไรเฉยๆนะมีเขาจเจริญมกักทุกวันไม่มีวันหยุดใช้คำว่ามีน้อยนะเพราะเขาไม่เข้าใจ การปฏิบัติธรรมนานๆก็จัดคอร์สปฏิบัติธรรมที่หนึ่งตามไปดูก็แค่ฝึกสมาธิเจริญสติบอกปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมต้องเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปฝึกวิชาสติวิชาสมาธิแล้วบอกปฏิบัติธรรมนะปีหนึ่งมีสาม้ยหกส้าวันไปเข้าค่ายฝึกสมาธิสติสิบห้าวัน เขาปิดวาจาสบายสบายไม่ได้ยินใครพูดเลยฉันก็ไม่ทำสร้างบัจจิ ร, รมเป็นใบ่อยู่สิบห้าวันพอกลับไปบ้านก็ต้องพูดแก้แค้นเพราะไม่ได้พูดมาสิบห้าวันนั่นเหนือนปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหิวก็กินง่วงก็นอนมีอะไรก็เอาออกมาหมดอย่าไปกดมันไว้แล้วกลับไปบ้านมันจะไม่มีกําลังที่จะไปบน่นนี่คือธรรมะสุนัขมันนอนนานๆขึ้นมามันก็เช็คกิ้งเช็คกิ้งมันก็สั่นอ่า สลัดความตึงเครียดของมันนั่งนอนทับตัวเองตั้งนานมันก็เหา่าก็หอนมันถึงไม่เป็นมะเร็งไงทุกวันนี้เราอุย้ยมีมารยาทมีอะไรอะไรติดสำรวมนอมีนะไม่รู้นั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่านะเออเดี๋ยวจะมาบวชเข้าปรรษาที่นี่เมืม่อวานก็ปรึกษาพระครูว่าเจ้านายให้ถามว่าเขาเคยมาศูนย์พรลานคอย ที่นี่ไม่มีศิมไม่มีโบสถ์ไ ม, ม่อะไรบวชได้ยังไงที่นี่บวชไม่ได้เราไปบวชที่จเจคณะตำบลพ่ะครูรู้การละเทสะแต่การปฏิบัติธรรมนี่ผู้เจ้าบรรลุอยู่ใต้ต้นโพไม่มีศิมไม่มีศาลาอะไรทั้งนั้นแหละมันจะไปติดรูปแบบอย่างนั้นเห็นไหมเขาบอกเขารู้เขาอ่านพระจิตปดอยู่ว่ารู้แค่ไหนรู้จริงหรือเปล่านับถือศาสนาแบบซื่อบือ้อเป็นแท่งเป็นก้อน มันถึงไม่ไปไหนไงโนไปปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องรูปแบบเพราะท่านมันเป็นเรื่องของจิตจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมทุกอย่างจบอยู่ที่จิตไอ้รูปแบบข้างนอกไปเพนิวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ไม่ละเลยอะไรที่ไม่ละเลยเนี่ยศาสนามินมันเหมือนต้นไม้อะนต้องมีเปลือกกับพี้ต้องมีแก่นด้วย ไม่ใช่มีแก่นอย่างเดียวไม่มีเปลือกกระพีเพราะมันน้อได้อยู่คนเดียวแต่เรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราส่วนองค์รวมของศาสนาแล้วต้องมีเปลือกกระพีแต่ตอนนี้บังเอิญม่าเปลือกกระพีถ้าพระเจ้ากลับชาติมาเกิดพระครูบอกแล้วพระองค์จะจําศาสนาพระองค์ไม่ได้มันระบายจนไม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ต้นโพธิแล้วอุบายนั่นอุบายนี่เพื่อเอามาเป็นธุรกจิจนะ เห็นไหมเราก็มีเวียนเทียนเราก็มีอะไรเราก็มีเราก็รักษาประเพณีเดี๋ยวเข้าพรรษาเราก็มีใช่หไหมเราไม่ละเลยสิ่งนี้เราไม่ทําลายสมมุติและบัญญตัติแต่เราไม่หลงในสมมุดและบัญญัตินั้นถ้าหลงเมื่อไหร่เนี่ยหลงอะไรก็ไม่ได้ติดอะไรก็ไม่ได้ติดก็คือหลงโลกกฎหลงคือที่มาของทุกข์แต่เราไม่ละเลยสมมุติและบัญญัติ